อาจารย์อาจารย์ติงนั่นแหละเป็นบ้างนะหนลองบอกวิธีการให้ฟังหน่อยได้ไหมเรื่องเมตตานะฮะคุยกับท่านอาจารย์วันนี้เพราะว่าเราทราบแล้วว่าเมตตาเรา มีตั้งแต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็ทั้งต่อหน้าและรับหลังนะะก็คุยกันว่าเออต้องความจริงต้องครบทั้งสามอย่างนี้นะคือบางแห่งก็บางแห่งก็สอนเน้นเรื่องเรื่องกายกรรมวจีกรรมนะบางแห่งก็เน้นมโนกรรมนะครับคือลักษณะมโนกรรมก็มีลักษณะที่ ที่อยู่คนเดียวก็ก็สามารถเจริญได้หรือว่าจะอยู่ที่พักคนเดียวหรือว่าจะอยู่ที่เงียบๆคนเดียวหรือว่าจะนั่งคนเดียวไม่มีสัตว์บุคคลมาอยู่ให้ปรากฏต่อหน้าเราก็เจริญได้แล้วก็บางสำนักนั้นก็มักจะต้องเน้นอย่างนั้นต้องนั่งอย่างนั้นต้องภาวนาอย่างนี้นะครับแต่ว่าบางสำนักก็ไม่เน้นบอกไอ้อย่างนั้นมันไม่ใช่วิสัยของคารวาะเอาแค่นี้นะเอากันเมตตากันต่อหน้านี้แล้วนะต่อหน้าคือว่า ด้วยแสดงการเมตตาด้วยกายกรรมมจีกรรมเนี่ยทั้งต่อหน้าก่อนก็ได้นะหรืออย่ง น, อน้อยถูกลับหลังก็ไม่ก่อยพูดกันนะโดยมากผมจะพูดเน้นกันเรื่องต่อหน้านี่ว่าถ้าเราแสดงเมตตากันต่อหน้าเนี่ยแล้วก็ไอความรู้สึกของเมตตาอันนั้นนี่นะฮะเราก็จะทําให้เราเนี่ยรู้ลักษณะของเมตตาที่แท้จริงท่านว่าอย่างนั้นนะครับถ้าสมมติเราเมตตาใครท่าคนจริงๆเนี่ยนะ เราก็จะมีความรู้สึกว่าเออเมตตาจริงๆนี่นะจิตมันมันเป็นเพื่อนอย่างนั้นนะมันเบาอย่างนั้นเนี่ยท่านจะเน้นอย่างนี้แต่ก็ไม่ค่อยเน้นว่าเรื่องเรื่องออออทางมโนมโนกรรมนี่ไม่ไม่ค่อยเมตตาทางทางมโนทวานนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นบอกว่าคาราวะไม่ค่อยเหมาะเหมาะสําหรับพระภิกษุหรือว่าพระผู้ปฏิบัติลักษณะที่ ต้องมีการมีพิธีรีตองมีการนั่งมีการท่องมีการบน่ทนทำนองนั้นนะครับซึ่งทั้งสามนี้ท่านอาจารย์สมบัติก็บอกว่ามันต้องมันต้องไปพร้อมกันหรือว่ามันต้องไปไปไปด้วยกันทั้งสามจึงจะจึงจะเหมาะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> การเจริญเมตตาทางกายกรรมทางทางกายกายทวารกรณีวจีทวามโนทวานนี่นะครับมันก็จะส่งเสริมกันฮนะถ้าหากว่าเราเจริญทาง กายทวานหรือมโนทวานนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเกื้อกูลให้เราตอนที่เราเจริญทางมโนทวาเ น, นี่ยเราก็จะเราก็จะรู้ลักษณะมากขึ้นแล้วก็ถ้าเราเจริญทางมโนทวานได้นะก็จะเป็นการส่งเสริมเป็นปัจจัยให้ทางทางกายทวานนี่มีมากขึ้นนะเป็นการส่งเสริมก่อนเอ้ผมว่ามันจําเป็นเหมือนกันอาจารย์ท่านมีความเป็นยังไงครับหรือว่าท่าน นักศึกษาจะมีข้อกิเทศประการได้บ้ามาคุยก่อนเป็นการอุ่นเครื่องให้ท่านอาจารย์หน่อยดิตอนนี้มันหนาวเครื่องไม่ค่อยยังไม่ค่อยติดดีใครมีอะไรไหมฮะลุงว่า ย, ยัางไงเหรอลุงลุงก็บอกใจความไม่ได้ใจความไม่ได้ใช่ไหมคือหมายความว่าการเจริญเมตตาที่เรากล่าวว่ามันต้องเจริญทั้งสามถวายใช่ไม คือหนึ่งกายทวารวจีทวารและมโนทวารทั้งต่อหน้าและรับหลังใ ช, ใช่ไหมเช่ <c oughs> นสมมุติว่าต่อหน้าเนี่ยเราจเจริญเมตตาเนี่ยเราจะเจริอนได้ไหมสแสดงความเมตตาด้วยการกล่าวด้วยการด้วยคําพูดได้ไหมด้วยคําพูดด้วยคําชมด้วยการให้กําลังใจด้วยอะไรนี่นะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสบายใจให้เขามีความสุขเราทําได้ไหมไต่อหน้าใช่ไหมรับหลังเราก็ทําได้เราจะชมคนรับหลังเราก็ทําได้ ก็ใช่มช่ไหเราก็ทําได้ใช่ไหมแล้วทางกายกรรมนี่นะเราแสดงด้วยการเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าเขากําลังเดือดร้อนเขต้องการความช่วยเหลือเราก็เข้าไปแสดงด้วยกายกายยัถวาร น, นี่ก็ได้ใช่ไหมหรือทางรับหลังนี่เราก็แสดงได้ไหมรับหลังทางทวารทาไงกายยัตถวารับหลังทําไงอนึกไม่ออกเนะาะไม่ใช่ยานี้กายยถวานทางกายทางกายทางกายอ รับหลังมันจะมีครับอ่ะโอเคมเป็นมโนอย่าเดียวเฮ้ยเดี๋ยวกายยธวันก็มีส่วนมโนทวานแน่นอนเรานั่งเดี๋ยวนี้เราก็เจริญได้ทางมโนทวันเนี่ยเรานึกที่จะเป็นมิตรภัยเดี๋ยวนี้ก็เจริญได้หรือว่าเรากลับไปบ้านเราไปนอนแล้วเรานึกอืมจรนนะเออยหมยังหนุ่มแน่นยังมาฟังทำนั่ะเออน่ารักนะก็ทําได้ทําได้ทั้งนั้นนะทั้งตอนหน้าแล้วรับหลังนะฮะ ได้รับหลังก็ได้ตอนได้ทั้งหมดเลยนะกายจาราวานครับรับหลังทำไงรับหลังก็ทําได้ก่อก็เกิดทําอะไรตกหล่นแล้วก็เก็บไม่ให้ก็ได้หรือว่าช่วยเหลือเขาทาการงานอะไรที่ก็ยังค้างค้างไม่เสร็จก็ทําได้ด้วยจิตที่ปรารถนาดีเกรงว่าเขาจะเสียหายเกรงว่าเขาจะเดือดร้อนภายหลังก็ทําได้แบบนั้นรับโทรศัพท์ให้เขาออกอะไรนะวัจีรับหลังใช่ไหม แล้วยังอย่างโทรศัพท์มาอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่อยู่แล้วก็รับแทนโทรศัพท์มาหาเราหาเขาค่ะเขาไม่อยู่ไงเขาไม่อยู่ค่ะแล้วเราก็รับแทนนี่เป็นพัชีแล้วเราก็รับแทนรับแทนใช่ไหมค่ะค่ะก็เป็นการสงเคราะห์คนที่โทรมาใช่ไหมค่ะคนถูกโทรด้วยคนคนรับด้วยอ๋อแล้วก็แล้วก็ด้านนี้เราฝากข้อความไว้แล้วก็ช่วยเหลือไปบอกต่ออย่างนี้คามเปนจิงเล็กๆน้อยๆนี่อย่ามองข้ามนะ นิดๆในนอยๆอย่ า, อยามองข้ามนะะผมมากไปหน่อยแล้วมันเดีะยว <c oughs> อย่างนี้หนึ่งนะคือคือถ้ามีเมตตาเมื่อไหร่นะขนาดนั้นโทาะไม่มีแน่นอนนะสองมานะไม่มีผู้ใดมีมานะนะผู้นั้นจะยิ้มให้คนเนี่ยที่ที่ที่ไม่รู้จักหรือว่าที่คนแปลงหน้าเนี่ยยิ้มยากสมมติว่าคนเพื่อนบ้านเดินผ่านมาเนี่ยนะถ้าท่านมีเมตตานะ ท่านเพียงยิ้มให้เท่านั้นเนี่ยนะด้วยตั้งใจยิ้มให้เนี่ยนะเป็นการโอภาปาสายเป็นการเป็นสันธวะไมาตรีเนี่ยถ้าบางคนมีมีมานานอีกย่างนั้นนะเออแกแ ก, แกอย่างนั้นชั้นอย่างนี้เนี่ยทักยิ้มไม่ออกเหมือนกันนะทักไม่ได้เหมือนกันนะหรือเขาต้องทักชั้นก่อนชั้นนั่นทักเขาก่อนเขาไหว้ชั้นก่อนชั้นไหว้ที่หลังอะไรเนี่ยโอ้ยเยอะละเอียดมากเอาอยัางครับเครื่องร้อนเลย อย่างอย่างที่ผู <h <h ้การเคยเล่าให้ฟังเรื่องที่มีผู้ใหญ่ให้ให้ขับรถให้นะแล้วก็ไปจนถึงน่าเมื่อกฟังเพิ่งฟังมาคือคือคือเรื่องนี้เรื่องเกิดเรื่องจริงนะแล้วผมยังประทับใจกระทั่งทุกวันนี้เลยนะว่าความไม่มีเมตตาสําหรับผู้ใหญ่กับผมเนี่ยนะผมจํากระทั่งอยู่นี้จําแม่นเห็นภาพเลยอ่ะ คื อ, ค อ, คอเล่าย้อนๆนะคือว่าผมต้องเดินทางไปไปเรียนหนังสือที่จังหวัดาลาดบุรีตอนนั้นเป็นนายทหารใช่ไหมตอนจบมาใหม่ๆร้อยตีใหม่ๆเลยก็มีนายทหารระดับสูงเลยนะเป็นรองจกก้กรมผู้ช่วยจ้กรมเป็นพันเอกนะก็ขับรถคีบผ่านมาที่ที่าเทียบฝั่งทอนนะเราจะต้องไปถึงลาดบุรีใช่ไหมแต่เช้าผมจะนั่งโบกรถเมไปท่านก็จอดรับผมเลยนะพอจอดปั๊บนี่ ท่านคงนึกนะว่าเอ๊ะท่านพันเอกท่านจะขับรถให้เรานั่งนี่มันไม่่อยถามกันนะผมนึกในใจนะแล้วปกติเขาก็ไม่ค่อยทําอย่างนั้นนะ่ะนะนะท่านบอกเอ้าทงชัยรับขับไปนะผมก็ขับตอนนั้นเนี่ยยังขับรถไม่ค่อยแข็งเลยนะขับรถจิบผมจําได้ว่าขับตั้งแต่ตั้งแต่จังจังแต่กรุงเทพเนี่ยนะไปถึงราชบุรีนะท่านไม่พูดกับผมแม้สักคําเดียวเลย ผมนั่งตัวแข็งไปตลอดเลยนะไม่พูดเลยเราก็ไม่กลา้าที่จะพูดต่อเลยไม่กลา้าที่จะทักทายไม่กลา้าที่จะเอ่ยขึ้นมาในเรื่องมากกว่าไม่กล้าเลยนะเงียบขี้เลยไปถึงนู่นเลยเข้าเข้ากลมก็ต้องแวะบ้านก่อนใช่ไหมพอเรียกก็ตูบ้านก็ผมก็โคลมชนกระถางต้นไม้บนร่มเลยแตกโครม <laughs> <laughs> ชนกระถางแตกเลยนะท่านก็ไม่ว่าเลยไม่พูดอีกสักคำออลองเอิ้เป็นร้อให้เขาเดี๋นะเอิ้ตอนตนนนะ เนี่ยนะเป็นความอึดอัดนะสําหรับผู้น้อยเนี่ยนะอึดอัดเวลาเราไปกับท่านเนี่ยนะถ้าท่านทักทายเราสักคำเดียวเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าจะจะเคารพจะรักทันมากทีเดียวนะก็นี่นี่ลักษณะผมเชื่อว่าไม่ใช่เมตตาแน่นอนนะไม่ทราบว่าขณะนั้นท่านแต่ปกติท่านไม่ใช่ปากนะท่านกาลังภาวนาอะไรอยู่ไม่รู้นะ โอเคมองในแง่ดีก็ใช้ได้นะผมว่าออท่านท่านถ้าเรามองในแง่ดีนะคือมันต้องดีถ้าเราเมตตาต่อท่านนะเราก็มีความสุขนะนะถ้าเรามีเมตตาต่อท่านเราก็จะเห็นใจท่านมากขึ้นหน่อนะแต่ถ้าอย่างหนึ่งถ้าท่านขาดเมตตาจริงๆท่านก็ไม่น่าจะเจริญเติบโตได้ขนาดนั้นนะเนาะเพียง <c oughs> แต่ว่าเวลาโอกาสบางอย่างซึ่งท่านอาจจะมีเหตุผลของท่านนะ การเจริญเมตตาเราต้องต้องนึกถึงวิถีชีวิตของเราเนาะว่าวิถีชีวิตของเรานั้นไม่ได้อยู่โลกแห่งความนึกคิดอย่างเดียวเนาะเรายังมีกิจการงานที่จะต้องทํามีการพาตัวเองเนี่ยไปสู่สถานที่ต่างๆไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเกี่ยวข้องกับกิจการงานต่างๆในเกี่ยวกับการงานเหล่านั้นเนี่ย มันก็ต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในที่ตรงใดถ้าบุคคลขาดเมตตากายกรรมสักคนหนึ่งนะซึ่งพอจะทำได้แล้วบุคคลนั้นไม่ทำคนรอบข้างจะมองมาเป็นตาเดียวเลยนะอย่างเช่นมีงานที่จะต้องช่วยกันเก็บช่วยกันดูแลช่วยกันเข้าไปจัดการช่วยกันยกช่วยกันหยิบช่วยช่วยกันทำเนี่ยนะ ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนิ่งดูดายไม่เข้าไปช่วยเหลือคนนั้นเรียกว่าคนขาดเมตตากายกรรมต่อหน้าอ น, นี้ะคยกว่าขาดเมตตากายกรรมต่อหน้าส่วนคนอื่นเขาทำเข้าคลองบางอย่างซึ่งอาจจะไม่เรียบร้อยแล้วก็ดูดายอีกไม่สนใจเลยนะนิยะตรงกันข้ามบนก็ปิดกระป๋อตามหลังเขาอีกอันนี้ก็เรียกว่าขาดเมตตากายกรรมรับหลังแล้ววจีกรรมต่อหน้า ใช้ถ้อยคำวาจาที่ถากทางให้เขาไม่สบายใจคือถ้อยคำนั้นมันจะพูดเป็นผู้ดีขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าพูดแล้วเขาไม่สบายใจถ้อยคำอ น, นั้นขาดเมตตาเออเอาไปหลับให้สบายนะหลับถาวรเลยหลับนิรันดร อ, อย่างเงี้ยถ้อยคำเหล่านั้นเนี่ยขาดเมตตาเป็นอย่างยิ่งคำสั่งฆ่าของเจ้านายเนื้อหัวหลายหลายท่าน เขาไม่ได้บอกว่าเอาไปไปตัดหัวในในหนังนะตัดหัวเนี่ยแต่ถ้าคนธรรมดาทั่วไปก็บอกว่าเอาไปให้พ้นนะเขาพูดแค่นั้นแหละนี่แสดงว่าสังขารละนะบางท่านในหลวงบางคนเนี่ยแสดงทําตัวบอกเหมือนมีเมตตาจริงๆเออเอาไปนอนซะนะเอาไปให้หลับนะมันท่อยคําเหล่านี้เนี่ยแอบคนคนฟังก็ออรอบข้างก็ออบรรยากาศดีนะแต่ว่าไอ้คนที่ถูกให้ไปหลับถาวรเลยเนี่ยไม่ไหวแล้ว มันถ้อยคําเหล่านี้ก็ชื่อว่าขาดเมตตาอย่างสูงสุดเป็นถ้อยคําที่ถึงกับเอาชีวิตเขาเป็นถ้อยคําที่ต้องเอาเลือดเอาเนื้อเอาหน้าตาเอาศักดิ์ศรีของเขาเนี่ยนะให้เขาเสียหายสิ่งเหล่านั้นการใช้วาจาลักษณะนั้นเป็นวาจาที่ขาดเมตตานะหรือหาเรื่องอะไรก็ได้พูดให้เขากลุ้มใจนะหรือว่ารู้ว่าเรื่องนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรหรอกเขาฟังแล้วเขาต้องไม่สบายใจแล้วเราก็ยังเล่าเรื่องประเภทนั้นให้เขาฟัง อันนี้ก็ชื่อว่าขาดเมตตาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอันเมตตานั้นเป็นเรื่องของการหวังดีปรารถนาดีถ้าคนที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนเราต้องการให้มิตรเราทุกข์ใจไหมเราต้องการให้เขาเครียดต้องการให้เขาหงุดหงิดต้องการให้เขาทุกข์ต้องการให้เขาร้อนนี่ไหมดังนั้นในความเป็นมิตรจริงๆก็ต้องหาเรื่องที่สบายใจเป็นต้นมามาเล่าถึงเรื่องนั้นจะหนักหนาสาหัสแต่ก็รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนเบาผ่อน มีวิธีแก้ว่าเรื่องนี้นะมันแก้ได้ถึงมันจะหนักขนาดไหนก็แก้ได้เั้นความเป็นมิตรก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลหาวิธีทางให้ว่าแก้อย่างไงอะไรยังไงอันนี้เป็นลักษณะของเมตตาวาจีกรรมตอนหน้าแล้วเมตตาวาจีกรรมรับหลังเราพูดถึงบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้อยู่อยู่ในกลุ่มนี่นะพูดถึงเขาในลักษณะใดถ้าพูดในลักษณะชมเชยยกย่อง อันนี้ก็เป็นเมตตาวาจีกรรมรับหลังนนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหมหาโจรโคตรเลวเลยนะแต่แล้วก็เอามานั่งชมดีจริงๆอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นคนพาลด้วยยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องหรือตาหนิคนที่ควรยกย่องอันนี้ก็ผิดพลาดอกีกนะแต่ยกมาเป็นอุทาหรณ์ได้แต่ไม่ใช่พูดในลักษณะขาดเมตตาไม่ได้พูดด้วยโทศั์ นะยางเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวถึงพระเทวทัตไหมกล่าวแต่พระองค์ไม่ได้กล่าวในลักษณะโทสะแต่พระองค์กล่าวด้วยกรุณาเสร็จแล้วกล่าวถึงพระเทวทัตด้วยกรุณาและกล่าวต่อบุคคลต่อหน้าพระองค์ด้วยเมตตาหวังอยู่ว่าเออพระภิกษุเหล่านี้อย่าได้ไปทําตัวเหมือนกับพระเทวทัตนอันนี้ก็เป็นเรื่องของเมตตากายกรรมและวจีกรรมซึ่งวิถีชีวิตเราต้องโครจรไปเกี่ยวข้องอยู่แล้ว เกี่ยวข้องตลอดเลยนะกายกรรมและวจีกรรมถ้ากายกรรมวจีกรรมเหล่านี้เราทํากับพร่องกับแง่งที่ใช้คําว่าลักษณะเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาอะไรต่างๆเหล่าเนี่ย น, นะคนเหล่านั้นเวลาไปนั่งสมมติว่านั่งหลับตาภาวนาหรือไปอยู่ที่เงียบๆโอ้สัพเพสัตตาเวลาหนตุมันจะเป็นจริงได้อย่างไรนะก็คือคิดว่าเออเขาทําอย่างนั้นเขาได้บุญกันก็จะเอาบุญประเภทนั้นบ้างโดยที่ไม่รู้ ต้นสายปลาเหตุอะไรก็ไปนั่งจะเอาบุญอย่างเดียวอะ่ะ น, นะก็คือความเห็นแก่ตัวอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าหากว่าพื้นฐานแห่งเมตตาไม่เพียงพอท่านั้นเมตตานั้นก็ต้องนับตั้งแต่เมตตากายกรรมเมตตาวาจีกรรมเป็นต้นอันในแวดวงของพระพระสงฆ์นายยกตัวอย่างของพระสงฆ์ว่าถ้าพระที่จะเจริญกรรมาฐานประเภทเมตตานั้นท่านจะต้องประพฤติศีลก่อนศีลเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างอาทิพรมจริกศีลกับอาภิสมาจาริกศีล อธิพรมจาริกศีลก็คือศีลในพระปาติโมกอภิส ม, มาจาริกศีลก็คือศีลนอกพระปาติโมกศีนที่จะต้องประพฤติวัดปฏิบัติเป็นต้นน่ยนะอย่างเช่นเข้าห้องน้ําเป็นต้นก็ไม่เอื้อเฟื้อในห้องน้ําไปเกี่ยวข้องกับสงฆ์เกี่ยวข้องกับคณะเกี่ยวข้องกับบุคคลเกี่ยวข้องกับครูอาจารย์เป็นต้นก็ขาดความเอื้อเฟื้อไม่ประพฤติ อ, อภิส ม, มาจาริกวัตดนั้นให้บริบูรณ์ไม่ประพฤติศีลเหล่านั้นให้บริบูรณ์นะ ตรงกันข้ามทําด้วยจิตที่เป็นอกุศลเสร็จแล้ววิถีชีวิตเนี่ยพระองค์กล่าวว่าคนที่ทําอภิสมาจารไม่บริบูรณ์แสดงว่าอธิพรมาจารก็ไม่บริบูรณ์ด้วยไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเลยเสร็จแล้วเมื่อศีลเหล่านี้ไม่บริบูรณ์จะไปเจริญเมตตาเจริญให้ใครก่อนผู้ที่เรารักผู้ที่เราเคารพผู้ที่เรารักเราเคารพเราเจริญเมตตาให้เราทํากิจนั้นไม่บริบูรณ์ ตัวเราเองยังตำหนิตัวเองได้ฉั้นคนที่มีเมตตาเจริญเมตตานั้นเป็นคนที่ตรงเป็นคนซื่อตรงเป็นคนอ่อนโยนนะเป็นคนกายเบาจิตเบาเป็นต้นฉะนั้นถ้าหากว่าไ อ, ไ, อไอ้จิตที่จะเอาเป็นต้นเนี่ยนะจิตที่เห็นแก่ตัวก็เป็นจิตหนักเมื่อเป็นจิตหนักแล้วมานนั่งภาวนาได้อย่างไรนะเพราะตัวเองก็ขาดเมตตาต่อตัวเองก่อนเพราะไม่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ให้บริบูรณ์ ทำกุศลธรรมให้ตัวเองไม่บริบูรณ์ก็ชื่อว่าขาดเมตตากับตัวเองแล้วขาดความหวังดีขาดความปรารถนาดีต่อตัวเองเพราะตัวเองรู้แล้วว่าการทํากุศลเหล่านี้ไม่บริบูรณ์มีโทษไหมมีโทษเมื่อมีโทษเมื่อเราไม่ทําให้บริบูรณ์ปั๊บเรามานั่งคิดเมตตาก็คงค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเมตตากายกรรมเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องต้องมีการคล้ายๆเรื่องกับสมาทานบ่อยๆเหมือนกัน เราสามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นให้มีความสุขได้อย่างไรบ้างเราพอจะช่วยอะไรเขาได้ไหมเราต้องปรารถบอย่างนี้ค่อนข้างบ่อยนะริเริ่มนะเขาบอกว่าสัมมาวายามะก็คือคนที่มีความเพียรริเริ่มคิดสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดหาวิธีการใหม่ๆพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นเขาได้มีอะไรที่จะช่วยให้คนอื่นมีความสุขได้บ้างอันนี้เป็นกายกรรมเมตตากายกรรม จะพูดอะไรให้คนอื่นมีความสุขได้บ้างอันนั้นเป็นเมตตาวจีกรรมเสร็จแล้วเมตตามนโนกรรมก็จะลังไสเป็นเมตตาเนี่ยยังสืบเนื่องยาวนานต่อเนื่องแต่ถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยนะไปซัดคนมาตุ๊บหนึ่งอย่างเงี้ยไปเฉียดจมูกเฉียดปากเข้ามานะเอานี้วของเราไปเฉียดมาเนี่ยไปนั่งสับเพสสับตาทําได้ไหมใช่ไหมให้เราทําไมเราต้องไปทําอย่างนั้นด้วยหรือไปนั่งด่าใครมาสักครึ่งชั่วโมงนะไป จำหนิคนอื่นมานั่งบนกระปอ๋อกระแปดอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วมานั่งเจริญเมตตาเป็นไปได้ไหมมันก็ขัดกันนะพื้นฐานเมตตากายกรรมวจีกรรมเป็นต้นหยาบหยาบไม่เกิดนั้นเมตตามโนกรรมก็คงค่อนขอ้า ง, งยากแต่อย่าลืมนะเมตตากายกรรมวจีกรรมเป็นกุศลประเภทศีลกุศลนะเมตตากายกรรมวจีกรรมเป็นศีลกุศลนั้นกายทวานกับวจีทวานถ้าไม่บริบูรณ์มนโนทวารเป็นไ ป, นปนไม่ได้ เรามาดูนะตัมมาบทเลยตัมมบทตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อข้อที่เมตตาเป็นข้อที่เก้าใช่ไหมเมตตาอยู่ข้อที่เก้าเรียกว่าอัพยาปาทะนะข้อหนะึ่งะเว้นจากปานาธิบาตแสดงว่าเป็นคนที่มีกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายอาทินาทานแสดงว่าหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อคนอื่นอนาการเมสุมิฉาจา์ก็คือให้ความปลอดภัยในสิ่งที่คนอื่นเขาหวงแหนคนอื่นเขาเคารพ แล้วต่อไปนะมุสาวาทก็คือให้คําสัตย์คาจริงไม่มีพุสวาจาก็คือให้ถ้อยคําที่น่ารักเว้นจากสัมผัสปลาปากก็คือให้ให้ถ้อยคําที่เขามีความสุขอ่ะซึ่งถ้าถ้อยคําหยาบก็เป็นถ้อยคําที่ไม่ก่อให้เขาเกิดความสุขแล้วก็เว้นจากเพ้อเจอก็คือพูดในสิ่งที่มีสาระต่อชีวิตของคนนั้นๆั้นเมื่อเมตตากายกรรมกับวจีกรรมเหล่านี้ดีอะนะ อโลภะก็จะเริ่มมีกําลังและจะเริ่มคิดให้คิดแบ่งปันอนัพิชาก็จะเกิดขึ้นอย่างดีขึ้นเสร็จแล้วอัพยาปาทะซึ่งหมายถึงเมตตานี้ก็จะเจริญได้บริบูรณ์มากขึ้นอั้นอัพยาปาทะตัวนั้นสา ม, มารถเป็นได้ทั้งชาณจิตเพราะนพรันศีลในพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ศีลเว้นอย่างเดียวมีทั้งศีลประพฤติด้วยนะถ้าพื้นฐานกายกรรมมาจนถึงวจีกรรมไม่ดีบกพร่องขนาดไหนก็ตาม มโนกรรมก็จะพร่องเท่านั้นแหละแต่ถ้ากายกรรมวจีกรรมบริบูรณ์มโนกรรมก็จะบริบูรณ์เท่านั้นอันวิถีชีวิตซึ่งเราทั้งหลายเกี่ยวข้องอยู่ตลอดถ้าเราบำเพ็ญกายกรรมวจีกรรมไม่บริบูรณ์เต็มที่เมตตามโนกรรมก็กยากแต่ที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะขอให้รู้เถอะว่าเป็นปกติธรรมดาของคนมีกิเลสนะคนมีกิเลสก็เป็นลักษณะนั้นแหละกับพร่องกับแพร่งกับปิดกับปลอยกุศลมันที่จะเกิดได้อย่างต่อเนื่อง ก็ค่อนข้างยากอจิตของคนที่เป็นโทสะก็เหมือนกับจิตของคนเป็นเป็นอะไรคนโทสะมีจิตเหมือนกับเป็นเป็นแผลนะก็มีจิตเหมือนแผลนะฟังข้อความในวชิระสูตรอังคุตรนิกายติการนิบาศดูนะว่าคนที่ยังละโทสะไม่ได้ก็เหมือนกับคนที่มีแผลเต็มตัวคนที่มีแผลเต็มตัวไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ทุกนะคนที่มีแผลทางตานะ ตาอักเสบเป็นต้นมองภาพก็แสบตลอดนะคนอักเสบทางหูฟังเสียงอะไรก็ทุกข์เหลือเกินเหนนะังเสียงดังๆก็ทุกข์เจ็บปวดไปหมดคนปวดหัวนี่คิดเรื่องอะไรไม่ได้ทักอย่างเลยคนปวดฟันก็ทานอาหารก็ไม่อร่อยอีกนะคนปวดจะจมูกไม่ดีก็หายใจไม่คล่องอีกนะสรุปแล้วทั่วตัวนะถ้าเป็นไปกับแผลเป็นไปกับทุกทุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีความสุขปวดหลังนั่งอย่างนี้ได้ไมล่ะ มันก็เจ็บอีกแล้วใช่ไหมปวดแขนปวดขาปวดเท้าปวดตามตัวนะหรือจนถึงกับเป็นแผลตามตัวเหล่านั้นเมื่อได้ปัจจัยกระทบกระทั่งจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรคนที่ยังละโทสะไม่ได้ก็คือคนที่มีแผลเต็มตัวนะคนที่โทสะมากมากก็คือแผลลึกหน่อยบางทีนอนก็ชอนชายภายในละนะซึ่งคนเหล่านั้นถามว่าเราเราสงสารเขาไหมเขาน่าสงสารหก่อน คนที่มีแผลเต็มตัวไปหมดเลยเนี่ยเขาน่าสงสารไหมนะเสร็จแล้วเราสงสารเขาไหมนะก็ต้องดูแต่ถ้าเราเป็นแผลอย่างนั้นนะเราก็น่าสงสารกันนะคนมีแผลก็หาความสุขไม่ได้คนที่มีแผลใจก็ลักษณะเดียวกันนะแผลใจด้วยโทสะนี่เห็นอะไรเนี่ยขัดตาไปหมดเลยเนี่ยแสดงว่าใจเป็นแผลแล้วได้ยินเสียงอะไรก็ขัดใจไปหมดใจก็เป็นแผลอีกแล้วนะ รับรู้เรื่องราวอะไรต่างๆหาแต่เรื่องที่ไม่สร้างสรรค์มาคิดเนี่ยคนประเภทนี้ก็ใจเป็นเป็นแผลนะเขาก็จะหาความสุขได้อย่างไรเขาเนี่ยมีความทุกข์เราไม่ต้องไปซ้ำเติมเขากับทุกข์เป็นทีแล้วล่ะในวชิรสูตรกล่าวว่าดูกรที่สูตรทั้งหลายบุคคลสามนี้มีอยู่ในโลกบุคคลสามเป็นไนคือบุคคลที่มีจิตเหมือนแผลหบุคคลมีจิตเหมือนสายฟ้าหนึ่งบุคคลมีจิตเหมือนเพชรหนึ่ง ดูที่ว่าใจเราเนี่ยใจประเภทไหนก็อ่าข้อที่หนึ่งว่าก็บุคคลมีจิตเหมือนแผลเป็นอย่างไรดูก่อนพ่สูจนทั้งหลายบุคคลลางคนในโลกนี้เป็นคนเขาแปลว่าขี้กโกรธนะก็คือกโกรธบ่อยๆโกรธเนืองๆโกรธเป็นปกติแบบนั้นเถอะนิยมโกรธเงี้ยมีความแค้นมากถูกเขาว่าไหนก็ขัดเคืองครึ่งเครียดเงาง้อดเป็นยังไงเงาง้อด ใครใครแสดงบทบาทสมจริงหอย่างหน่อยมั <c> ้ง <oughs> ไม่ต้องอ่ะนะบาป <c oughs> นะกระทาความกําเริบความร้ายและความเดือดดาอนให้ปรากฏเหมือนอย่างแผลแผลเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะเวลามีแผลนะเขาอาจจะไม่ไม่บนทางทางวาจามาก็จริงแต่ว่ามันสั่นเลยนะคนที่มีแผลไม่เด็กๆตลกหนังกบเนี่ยหูมันเป็นแผลเต็มตัวนะมันสั่นหมดทั้งตัวเลยอะ่ะว่ามันทําไปได้ยังไงไม่รู้เนะ นะ่นะไม่ให้ตัวเดียวด้วยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของคนที่เป็นแผลเนี่ยนะจะเป็นลักษณะนั้นเลยนะมันสั่นไปทั้งตัวันคนที่มีโทสะนะไปได้รับเรื่องราวอะไรมาปุ๊บเนี่ยมันสยองเลยนะมันมันเหมือนกับคนที่ถูกถลกหนังออกทั้งตัวเลยนะงั้นคนที่มีแผลเนี่ยนะกับคนที่เป็นโทสะนี่ลักษณะเดียวกันถ้าโทสะมากมันก็กำเริบมากโทสะน้อยก็กำเริบน้อย โทสะนหน่อยก็ใจวิววินั่นแหละแล้วก็แสดงความเดือดร้อนนะนะเหมือนอย่างแผ ล, แลร้ายถูกไม้หรือกระเบื้องเข้าก็ยิ่งมีน้องไหลฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนขี้โกรธมีความแค้นมากถูกเขาว่าหน่อยก็ขัดเคือ ง, คงเครื่งเคียดเงางอดทําความกําเริบความร้ายและความเดือดด้อนให้ปรากฏฉันนั้นนี่เราเรียกบุคคลผู้มีจิตเหมือนแผละ <S <S นะ คนอย่างนี้ก็น่าน่าเห็นใจนะน่าสงสารเราก็ต้องมองว่าชีวิตของคนในโลกผู้ที่ยังละบาปละอกุศลละโทสะไม่ได้ก็คือคนที่มีใจเหมือนกับเป็นแผลกันทั้งนั้นัารสัตว์ทั้งโลกนั้นพระองค์เนี่ยจึงเจริญกรุณาต่อต่อสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมีลูกศอนคือโทสะเนี่ยเสียดแทงอยู่ตลอดเวลา น, นะั้นเมื่อโทสะกำเริบก็ทําให้ทํากายะทุจริตวจีทุจริต ท, ทาให้เกิด มโนทุจริตบาปอากุศลพวกนิวนเป็นต้นพวก น, นะอากุศลกรรมบทพวกมิชตะธรรมเป็นต้นก็จะพอกภูลภัยบูญเจริญอันสแสวงหาแต่หนทางเพื่อไปสู่อบายทุขติวินิบาตนรกเป็นส่วนมากอันพื้นฐานของสัตว์โลกเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆอันเมื่อไหร่ที่เขาไม่ถูกโทสะเป็นต้นเสียบแทงเนี่ยนะมันหายากเหลือเกินเวลาที่เขาจะว่างจากโทสะว่างจากโลภะว่างจากโมหะนี่ยากเต็มที ก็เราดูว่าวิถีชีวิตของเขาทั้งหลายเนี่ยที่ที่เป็นไปเพื่อการเจริญกุศลธรรมเนี่ยน้อยมากซึ่งพระองค์อธิบายอัตถกถาอธิบายว่าบทว่ากุ ป, ปติแปลว่า ย, ย่อมกำเริบด้วยสา ม, มารถแห่งความโกรธบทว่าพยาปัชติความว่าละสภาพปกติคือเป็นของเน่านะใจแผลใจเป็นแผลก็คือใจใจเน่ามันก็เริ่มมีกลิ่นออกมาทางทางปากนะคพูดของคนเนี่ยก็ บังไม่เพราะเลยบทว่าปฏิทิยติได้แก่ย่อมถึงความหงุดหงิดคือถึงความกระด้างบทว่าโกปังได้แก่ความกโกรธมีกําลังสามบทว่าโทสังได้แก่โทสัที่มีกําลังมากกว่าความหงุดหงิดนั้นด้วยสามารถแห่งความประทุสร้ายบทว่าอปัจจยังได้แก่โทมนัสที่เป็นอาการแห่งความไม่พอใจนะใจที่มันไม่พอนะแสดงว่ามันพร่องมันต้องการอีกอ บทว่าทุทธารุโกได้แก่แผลเรื้อรังบทว่ากัตเถนะได้แก่ปลายไม้เท้ากัตทะเลนะได้แก่กระเบื้องอาสวังเนติได้แก่ไหลติดต่อกันไปอธิบายว่าแผลเรื้อรังจะลังออกซึ่งของสามอย่างนี้คือคนที่มีแผลเรื้อรังอ่ะนะสมัยเด็กๆนี่เป็นบ่อยเลยนะเป็นแผลเป็นฝีเป็นอะไรเสร็จไม่หายสักทีเนี่ยพอเดินไปถูกไม้ถูกอะไรสเก็ตปุ๊บน้องก็จะไหลเมื่อน้องออกเลือดออก แล้วก็เนื้อเยื่อก็จะหลุดออกมานะถ้าหากว่าแผลที่ถูกกระทบกระทั่งก็จะเป็นลักษณะนั้นตามธรรมดาของตนแต่เมื่อถูกกระทบเข้าจะหลังสิ่งของเหล่านั้นออกยิ่งขึ้นนะพวกแผลฝีน้องเนี่ยปกติก็จ ะ, ะคนที่เป็นมากๆกเนี่ยมันก็จะไหลยเยิ่มอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ถ้ามีอะไรเข้าไปกระทบกระทั่งมากๆเข้ามันก็จะไหลออกมากขึ้นบทว่าเอวเมโข นี้มีข้อเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ก็คนมักโกรธพึงเห็นเหมือนแผลร้ายจรณะคือพฤติกรรมความประพฤติของเขาของคนมักโกรธก็พึงเห็นเหมือนการหลังของไม่สะอาดของแผลร้ายนั้นออกไปตามธรรมดาของตนนะคนที่มีแผลเนี่ยนะจะไม่ให้เขาจะไม่ให้เลือดไม่ให้น้องไม่ให้อะไรไหลออกเป็นไปได้อย่างไรคนที่มีโทสะจะไม่ให้เขาหลังกายกรรมวะจีกรรมที่มีโทษออกมาได้ยังไง เพราะว่าโทรศ์มันเกิดขึ้นมันเจ็บเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจรณะของของเขาผู้นั้นนะคือพฤติกรรมการกระทาของเขาผู้ดุร้ายพึงเห็นเหมือนกับการหลังของไม่สะอาดของซากศพที่ขึ้นพองออกไปตามธรรมดาของตนบ้างคำพูดเล็กน้อยก็พึงเห็นเหมือนการถูกกระทบด้วยไม้หรือกระเบื้องภาวะที่เขาลำพองมากยิ่งขึ้นว่าคนผู้นี้กล้าพูดเช่นนี้กับเรา กับคนเช่นเราพึงเห็นเหมือนกับการไหลออกมากยิ่งขึ้นของแผลเรื้อรังนะเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบกระทั่งมันก็จะเดือดเดือดเดือดเดือดเดือดขึ้นมาโทสะมันก็จะเป็นลักษณะนั้นดังั้นขณะที่อาการของแผลกำเริบเนี่ยนะเขาเป็นคนที่ทุรนทุรายน่าสงสารฉันใดคนที่ใจเป็นโทสะแสดงกิริยาอาการออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็น่าสงสารฉะนั้นนะังั้นคนที่เป็นโทสะเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเราหรือเป็นเขาก็ตาม ถ้าโกรธอย่างนี้บ่อยๆเข้าความสุขขณะนั้นก็ไม่เกิดนะสั่งสมกรรมที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ในโลกนี้ไม่เป็นประโยชน์ในโลกหน้าไม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อมรักผลนี่ผ่านอะไรมีไหมโทรศั์เป็นบารมีสักข้อไหมไม่เป็นนะเมื่อโทรศัพท์ไม่เป็นบารมีเข้าก็เป็นตัวที่ทําลายบารมีด้วยนะอันนี้จิตเหมือนแผลนะนเราเวลาเห็นคนอื่นเขาโกรธปุ๊บขอให้มองว่าเออเนะแผลเขากาลังหลังออกมา น้ำเลือดน้ำน้องกำลังออลังออกมาเราก็สงสารเขาได้มากยิ่งขึ้นนะนะก็บุคคลมีจิตเหมือนสายฟ้าเป็นอย่างไรดูกราฟิกสูตทั้งหลายบุคคลรางคนในโลกนี้รู้ตามจริงว่านี้ทุกขนี่เหตุให้เกิดทุกนี่ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกโอ้นี่เหมือนฟ้าแลบเลยนะจิตเนี่ยว่องไวัสา ม, มารถที่จะยังเห็นอริยสัจได้ เหมือนอย่างคนตาดีพึงเห็นรูปทั้งหลายได้ในระหว่างฟ้าแลบในกลางคืนเมื่อตื่นชั้นใดบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ตามจริงว่านี้ทุกขนี้เห็นให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กวนาันนั้นนี่เราเรียกบุคคลมีจิตเหมือนสายฟ้านะฟ้าแลบเนี่ยสามารถมองเห็นแสงได้เลยมองเห็นอะไรได้คนที่เข้าถึงอริยสัจก็เหมือนกัน แต่อย่าลืมว่าเอ๊เมื่อไรฟาร์มจะแลบสักทีหนึ่งะนะรอให้ฟ้าแลบจะได้รู้อริยสัจอย่างนี้หรือปะนะโสดาปฏิมาเกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมปัจจัยของโสดาปฏิมากรก็คือวิปัสนาญาณต่างๆวิปัสนาญาณก็มีการเกิดตามลําดับนะมหาสมุทรมีลาดลุ่มไปโดยลําดับธรรมวินัยนี้ก็มีศิกขาโดยลําดับมีกิริยาโดยลําดับและมีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติโดยลําดับ ไม่ใช่ว่าโอ้โหพอมาฟังสายฟ้าแลบเมื่อไร่ฟ้าจะแลบสักทีหนึ่งไงไม่ได้นะจะต้องมาดูเหตุดูความเหมาะสมของสิ่งนั้นๆด้วยกขบอกว่าโสดาปฏิมักก็เหมือนฟ้าแลบสก่าทาคามีอนาคามีก็เหมือนกับฟ้าแลบเหมือนกันก็บุคคลมีจิตเหมือนเพชรยอย่างไรดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลลางคนในโลกนี้กระทาให้แจ้งเข้าถึงพร้อมซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองอยู่ในปัจจุบันนี้เหมือนอย่างแก้วหรือหินที่ไม่ถูกเพชรเจาะเสียเลยย่อมไม่มีชันใดบุคคลบังคนในโลกนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายนะด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองอยู่ในปัจจุบันนี้ฉันนั้นเราเรียกบุคเรียกว่าบุคคลมีจิตเหมือนเพชร นี่แหละพิสูจทั้งหลายบุคคล3 ม, มีอยู่ในโลกนี้นี่เป็นปกติของโลกนะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าใจเหมือนเพชรก็โหหายากเหมือนเพชรนั่นแหละเพชรเป็นของหายากใช่ไหมฟ้าแลบละ่ะเมื่อไหร่จะแลบสักทีหนึ่งใช่ไหมหน้านี้ถามหาฟ้าแลบได้ไหมหายากเนอะนั่นแหละฟ้าแลบก็เกิดเป็นช่วงเกิดเป็นฤ ด, ดูการฟ้าแลบส่วนใหญ่จะเกิดในฤ ด, ดูฝนชั้นใดผู้ที่รู้อริยสัจก็จะเกิดในยุคพุทธุพาการอ ย, าอย่างยุคทุกวันนี้ก็ถือว่าพุทธปพาการเหมือนกัน การเกิดขึ้นของพระผู้มีร พ, พระภาคเพราะว่าตอนนี้พระธรรมคำสอนยังมีอยู่ก็นับว่าเป็นพุทธบาตการเหมือนกันันผู้ที่ปฏิบัติชอบตามอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8จนบริบูรณ์ก็สามารถที่จะทำให้ฟ้าแลบได้นะแลบในใจนะสามารถที่จะแทงตลอดอริยสัย์ระดับพระโสดาบันระดับพระสกท า, าคามีระดับพระนาคามีตามสมควรแกว่วาสนาบารมีที่สะสมอบรมมา แต่ว่าธรรมดาทุกระดูการเนี่ยนะจิตเหมือนแผลเนี่ยนะเป็นปกติอัธยาศายศาสทั้งหลายโดยธรรมดาแล้วคนที่จะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ดีตลอดเป็นไปได้ไหมเราจะเห็นแต่สมมตินะเห็นคนเนี่ยจะเห็นแต่คนงามตลอดเป็นไปได้ไหมก็จะเห็นคนไม่งามเห็นคนที่ทํากิริยาอาการที่เราน่าปรารถนามีไหมมันก็ไม่มีทั้งหมดใช่ไหมอย่างขับรถนี่ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยวันนี้นั่งมากับคุณมุนชูก็บอกเออคุณมุนชูจเจริญเมตตา ม, มากขึ้นใช่ไหม ก็เจริญเมตตาให้เขามีความสุขให้เขาไปก่อนได้ก็ไปก่อนนะให้ถึงจุดหมายปลายทางให้มีความสุขความเจริญนะอย่างเงี้ยเขาจะข้ามถนนเออให้เขาไปก่อนนะเขาอาจจะรียบก็ได้คนนี้เขาขับอาจจะไม่ถูกกฎจราจรเรารู้ไหมว่าเขาเนี่ยเขาจะไปไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมจริงอยู่เขาเขาอยากฝืนไหมแต่ละคนเนี่ยเขาไม่อยากฝืนนะเพราะการฝืนกฎจราจรนั้นก็คือเป็นเหตุให้เขาประสบอุบัติเหตุเขาอาจจะมีธุระเรียบทุระร้อนก็ได้ คุณมลชูเล่าให้ฟังว่าสักครั้งหนึ่งนะปวดท้องอย่างหนักเหมงอนกันจะต้องรีบเหมือนกันนะเขาอาจจะอยู่ในภาวะเหล่านั้นก็ได้นะซึ่งเราทําไมคือคนเนี่ยนะจะเอาตัวเองเป็นประมาณสัดส่วนใหญ่นะนึกว่าเอ้เราสบายๆคนอื่นเขาน้าจะเป็นเหมือนเราอะนะแต่ไอเราเครียดนี่มากกว่าแล้วถ้าคนอื่นเขาเครียดเหมือนเราหมดในโลกนี่บันไดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราทํายังไงจะได้เห็นใจคนอื่นเขามากๆขึ้นนะเขาก็เขาก็มาด้วยกรรมของเขาอะนะ แต่ถ้าเราไม่ฝึกเจริญกุศลให้มากๆเราก็จะไปด้วยกรรมของเราเหมือนกันนะแต่ทีนี้กรรมชนิดไหนอะที่จะพาเราไปโหเมื่อกี้เนี่ยไฟแลบขึ้นมาภาพขึ้นมาเลยนะไฟเวจีเนี่ยหนักกว่านั้นอีกเพราะในเรื่องของการเจริญเมตตาเป็นต้นเนี่ยนะเราต้องรู้ฐานะของเราก็คือว่าจิตของเรานั้นอะก็เป็นจิตเหมือนกับเป็นแผลบ่อย ถ้าหากว่ามันไม่เป็นแผลบ่อยๆนะเชื่อนะว่าเราต้องก็ได้ชานกันแหละแต่แสดงว่าถูกแผลกระทบกระทั่งบ่อยๆแต่ว่าแผลเล็กๆน้อยๆนะมองเห็นอะไรไม่ระคายเคืองตามีไหมยอยู่ตรงนี้อาจจะไม่มีนะอยู่ที่บ้านเนี่ยนะเออทีวีก็เรียบร้อยตั้งเหมาะสมแก้วน้ําพื้นเพ ข, ของในบ้านเรียบร้อยหมดเลยมีไหม ถ้าบอกไอ้นี่ก็เกะกะไอ้นี่ก็ว่างไอ้น้นก็จะทำไอ้นั่นก็ อ, กอกย่า ง, งนั้นอย่างนี้แสดงว่าขณะนั้นเป็นปฏิฆาณิมิตสัส่วนใหญ่ปฏิฆานิมิต hm นั้นก็แสดงว่าจิตเราแผลได้เกิดขึ้นแล้วเป็นสิวน้อยๆอยขึ้นมาแล้วแตว่าคันเรื่อยนั่นแหละแต่ถ้าเริ่มลงมือทําไม่มีใครช่วยนะแผลมันเริ่มจะออกนองแล้วนะเริ่มบนกระปากกระแปดแล้วคนโน้นําไม่ช่วยคนโน้โนนะ่ะเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมก็จะไม่ util. เกิดแผลมันก็จะลามขึ้นลามขึ้นลามขึ้นบางคนเนี่ยนะ ทำด้วยตัวเองบ่อยๆนั้นทำ น, น, นานๆเข้าก็เก็บกดความรู้สึกอันนี้มากๆมากๆ ม, ม, มีพ่อบ้านคนหนึ่งหลังจากที่ที่ภรรยาเขาไม่ค่อยดูแลเขานักนะเพราะภรรยานี่ทางานมากเขาก็เอ๊ะชักหมุดหงิดแล้วเอ๊ะทำไมไม่แต่งกับข้าวแต่งกับปลาให้ตัวเองกินเลยน ะ, ะก็เก็บกดไอ้ความคิดอันนี้นานเข้านานเข้านานเข้ า, น า, นขาหลายๆปีเข้านี่นะตะบะแตกเลย นะก็ไปติดผู้หญิงคนอื่นเข้าก็สองผัวเมียนี้ก็มาสนทนากันว่าทำไมเธอต้องทำอย่างนั้นก็บอกว่าก็เธอไม่เคยดูแลฉันเลยครับปล่อยให้ฉันทำอะไรเอาเองหมดนั้นแสดงว่าเก็บกฎถึงกับปันใจไปให้คนอื่นนั้นแสดงว่าเก็บกฎมานานมานานมานานเพราะในขณะที่กิริยาอาการบางอย่างมันก็จะเป็นปฏิฆานิมิต เมื่อปฏิฆานิมิตปั๊บเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาโทสะก็จะเกิดขึ้นเรื่อยพอกพูนพอกพูนพอกพูนมากๆเข้ามากๆเข้าบ้านแตกสะแตกขาดนะจนถึงกับก่อทุกข์ก่อโทษอย่างอื่นอีกมากมายมหาศาลอันกิริยาอาการเหล่านี้เนี่ยก็เกิดจากแผลที่มันไหลออกมามากมันคนที่มีแผลก็คนที่น่าสงสารนะนะแล้วถ้าคนที่เป็นแผลถ้าเป็นเราด้วยก็น่าสงสารเท่านั้นแหละ เจริญกรุณาให้ตัวเองมากๆเสร็จก็จะได้เจริญเมตตาได้ง่ายว่าไงลําดับการเจริญเมตตาชั้นแรกเจริญให้ใครก่อนโอ้สาธุแสดงว่าเอานะนึกชื่อถูกก็ใช้ได้แล้วนะสามารถที่จะเจริญได้บ่อยๆนี่ก็นะกุศลจิตก็เกิดบ่อยแล้วล่ะถึงไม่อวยชัยให้พรกุศลจิตเหล่านั้นก็เป็นธรรมะที่<ๆ>ไม่มีโทษเป็นธรรมะที่ให้ผลเป็นความสุขเป็นธรรมะที่มี นะวิบากที่หน้าปราถนาบมีวิบากที่หน้าต้องการผูนะ้ใดเจริญเหล่านี้ได้มากๆก็นะตามสมควรแก่เหตุอยู่แล้วเมื่อเจริญให้ตัวเองอย่างนี้บ่อยๆเข้านะเสร็จแล้วก็เจริญไปหาใครคนที่มีคุณธรรมควรแก่การเมตตานะผู้มีคุณควรแก่การเมตตานะที่ต่อจากเรานึกง่ายๆห า, าคนที่เรามีเมตตาง่ายๆก่อนนิดนะผู้ที่เรามีพระคุณ ผู้ที่เขามีพระคุณมากมากนะเลยนะะมีพระคุณกับเราก็ได้เราจะได้เมตตาเขาง่ายขึ้นนะเสร็จแล้วหรือคนที่มีคุณธรรมจริงๆเราก็สามารถที่จะเจริญจเจริญได้เสร็จแล้วต่อจากนั้นก็เจริญให้เพื่อนนะคนที่เราชอบพอกันอยู่แล้วนะนี่นก็จะเจริญง่ายใช่ไหมแต่ก็อย่าลืมว่าเจริญไปให้ผู้มีพร ะ, ะผู้มีคุณเหล่านั้นอย่างไรให้เพื่อนใจต้องเหมือนเดิม ไม่ใช่เจอให้เพื่อนปั๊บแหนั่งยิ้มชวนกันไปเที่ยวทางความคิดเลยไม่ใช่นั่นนะเสร็จแล้วเจริญไปให้ใครต่อคนธรรมดาทั่วไปซึ่งเรารู้จักเขาก็ช่างเธอไม่รู้จักเขาก็ช่างซึ่งเราไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่เราเจริญให้เขามีความสุขได้ น, นะเพราะว่าเมตานี้ไม่มีกําแพงขวางกั้นเท่าไรหร่หรอกนั้นถ้าเราเจริญได้เขาจะอยู่บ้านทางไหนในทิศใดๆก็ตามเราสา ม, มารถที่จะคิดให้เขามีความสุขได้ แต่ว่าไอ้ความสุขจริงๆนั้นอ่ะโดยหลักกรรมแล้วเขาจะสุขหรือไม่ตามสมควรแก่กายกรรมวจิกรรมมโนกรรมของเขาแต่ว่าเราเนี่ยเจริญเมตตาไปให้เขานั้น่ะเราก็ทำกรรมใหม่ใช่ไหมกรรมไหนเมตตามโนกรรมรับลังอันนี้ก็เป็นกรรมของเรานะเรากำลังทำกรรมอยู่นะแต่กรรมประเภทเมตตาแต่เราเมตตาแล้วเขาจะมีความสุขหรือไม่ อันนี้ก็แล้วแต่กรรมของเขาพระพุทธเจ้าท่านเจริญเมตตาสมัยพระองค์มีพระชนอยูอ่ะเจริญให้เราด้วยนะแต่ตอนนั้นทําไมเราทําอะไรอยู่เนาะนั่นแหละเ พ, พราะเขาเจริญกรุณาให้เรานะแต่เราทําไมตอนนั้นไม่ได้ดิบได้ดีเพราะเรามาด้วยกรรมของเราพระองค์เจริญเมตตาพระ อ, องค์ก็เป็นทิฏธรรมะสุขเวหา ร, รธรรมของพระ อ, องค์พระองค์ก็ไปตามเรื่องของพระ อ, องค์ไปเราก็เรื่องของเราไปแต่เมตตาวาจีกรรมของพระ อ, องค์รับหลังเลยนะก็ยังฝากฝังพระธรรมคําสอนไว้ให้เราเอง อันนั้นด้วยเมตตาวจีกรรมรับหลังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าั้นของเราก็พยายามเจริญไปหาบุคคลต่างๆเหล่านี้บ่อยๆคนที่ถึงเราไม่รู้จักเขาก็ไม่เป็นไรนคนที่ยืนคอยรถข้างถนนก็อ้าวนึกให้เขามีความสุขนะนึกเอานะเมตตาเนี่ยแต่ทำไมไม่นึกอ่ะต้องจ่ายรัก บ, บาทเลยนะจะว่าไปก็แสดงว่าจิตใจเราคับแคบไม่กว้างขวางนะ ก็คือจิตเป็นเหมือนกับแผลนะเราจะนึกตำหนิเขาตลอดเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยน ะ, ะคนเราเราไปกับคนส่วนใหญ่นะนึกให้คนมีความสุขที่พูดมาเป็นท่อยคําน้อยมากส่วนใหญ่จะนึกตำหนิไอ้นี่ทํำไมไม่ยืนตรงเนี่ยนี่ทําไมข้ามถนนตรงนั้นไม่เหมาะเลยงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนั้นไม่ค่อยคิดให้คนอื่นมีความสุขไม่ค่อยมีความคิดในแนวสร้างสารรค์เลย <eton. S 1> นะไม่ค่อยนึกให้คนอื่นมีความเจริญแสดงว่าเมตตานั้นเราอ่อนมาก อันนะ่ะเมตตาเรายิ่งแคบเท่าไรนะพบที่ไปในเบื้องหน้าของเราก็จะลดลงเท่านั้นอ น, นะตามสมควรแก่เมตตาของเราตามสมควรแก่คุณภาพจิตของเราเมื่อเรารู้เรื่องกรรมอย่างนี้มากๆขึ้นนะปัจจัยอะไรที่จะทำให้เมตตาเราเกิดบ่อยๆเราก็ต้องหาปัจจัยอันนั้นมากๆเสร็จแล้วพยายามนึกอย่างนี้แล้วก็เจริญทำยังไงคนในโลกนี้ไม่มีศัตรูแม้แต่คนเดียวนะแต่ถ้าหากว่า นึกแล้วนึกไปหาศัตรูที่เราโกรธอยู่นะนึกเมื่อไหร่มันก็ยังตังหิตตังหิตมันด่าเราอะ่ะมันทําความเสียหายให้แก่เราเป็นต้นน น, นึกแล้วก็เจ็บใจยอยู่นั่นแหละคนโน้นเคยด่าเราคนโน้นเคยนะทำลายคนที่เรารักคนโน้นทําประโยชน์ช่วยสนับสนุนส่งเสริมศัตรูของเราอย่างเงี้ยบางทีมันก็โกรธหรือว่าคนโน้นมันมันทำลายเราคนโน้นไปทําลายคนที่เรารักคนโน้นเขาจะทําลาย เขาไปสนับสนุนส่งเสริมศัตรูที่เรารังเกียจอันนี้ก็ทำให้เราโกรธอย่างนึ่งหรือว่าคนโน้นเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะทำลายประโยชน์ให้แกเราอย่างแน่นอนคนโน้นเนี่ยนะเคยจับทำลายประโยชน์แก่คนที่เรารักเราชอบใจคนโน้นเขาจะไปสนับสนุนส่งเสริมศัตรูของเราอันนี้ก็เป็นเหตุให้ให้โกรธเมื่อนึกไปหาบุคคลเหล่านั้นเมื่อไหร่โทรศ์ก็เกิดทำยังไงล่ะ อย่าเพิ่งเลกเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนนะก็มาคิดตัวเองใหม่นะไล่ไปหาครูคนที่เราเจริญใหม่ก่อนนะเจริญกับคนพวกนี้ให้มันชํานารก่อนให้มันบ่อยๆให้มันมากๆให้มันชํนานาญนะ่ะหนึ่งสองสามนี่ให้มันชํานาญให้ดีแล้วค่อยย้อนไปหาคนนั้นใหม่อ่ะนะหนึ่งสองสามสี่ชำนาญย้อนไปหาคนนั้นใหม่ถ้าไม่ได้เอาใหม่เริ่มต้นใหม่ๆอย่างนี้เรื่อยๆถ้ามันไม่ได้จริงๆอะ่ะให้ สอนตนเอ ง, ง, งนสอนตนเมื่อเกิดปฏิคะ9วิธีนะวิธีการซึ่งในวิสุทธิมรรครวบรวมมาจากพระพุทธพจน์โดยนัยตต่างๆซึ่งเราจะศึกษากันต่อไปเขาบอกว่าถ้าหากว่าเมื่อภิกษุผู้มีบุคคลอื่นเป็นผู้มีเวรกันอยู่นั้นน้อมจิตเข้าไปในบุคคลผู้มีเวรกันอยู่ปฏิคะ เกิดขึ้นเพราะการระลึกถึงความผิดที่ผู้นั้นได้ทำไว้ไซ้านึกถึงความไม่ดีของเขาอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะลำดับนั้นเธอควรเข้าเมตตาในบุคคลลาดับก่อนๆคนใดคนหนึ่งบุคคลเป็นที่รักที่ชอบใจน่าเคารพน่ายกย่องแล้วแล้วเล่าเลออกแล้วก็เจริญเมตตาไปยังบุคคลผู้มีเวรกันนั้นอยู่ซ้ํา้ซักๆากก็จะบรรเทา ปฏิฆะบันเทาโทสะบันเทาความขัดเคืองได้ถ้าหากว่าเมื่อเธอแม้พยายามอยู่อย่างนี้ปติคะก็ไม่ดับไซนึกก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละเวลามันโกรธจริงๆเนี่ยนะมันเต็มทีมกันนะเขบอกว่าพระบางองค์เนี่ยพอโทสะมันหนักเข้าจริงๆพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยยังโกรธเลยเพราะฉะนั้นขนาดคนยังโกรธพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องห่วงว่าคนอื่นเขาจะโกรธไม่ได้ นะพระพุทธเจ้านี่โหดีประเสริฐที่สุดขนาดนั้นเขายังโกรธเลยนะภาษารรบุตรพระโมคขลานะดีมีคุณธรรมมากมายผ้าโกาการิกก็ยังโกรธอยู่นะโหดา่าภาษารรบุตรดา่าพระโมคขลานะาใหญ่โตเลยเพราะฉะนั้นลำดับนั้นเธอพยายามเพื่อละปฏิคะโดยรำลึกถึงพระโอวาทที่มีการอุปมาด้วยเลื่อยเป็นต้นให้นึกถึงพระธรรมคําสอนใช่ไหมในฐานะคนมีสาระพระธรรมคําสอน ทรงกล่าวทรงแนะนำทรงบอกเราว่าอย่างไรแล้วก็พยายามลึกระลึกนึ ก, กถึงพระธรรมคาสอนเหล่านั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างที่หนึ่งว่าก็พยายามนั้นแลได้แก่การที่พระโยคีพระโยคีคือใครก็คือคนที่เจริญเมตตานั่นแหละเรียกว่าโยคีโยคีก็มาจากโยคะประกอบอ่ะ น, นะใส่ีลงไปก็หมายถึงบุคคลผู้มีการประกอบความเพียรภาวนานั่นเองเมื่อจะสอนตนนะ สอนคนอื่นมาเยอะแล้วเราก็ให้อวาตแนะนาสั่งสอนเราเองบ้างพึงสอนโดยอาการดังต่อไปนี้บ่อยๆว่าสอนแบบดุหน่อยนะเฮ้ยมนันแสดงว่าดุหน่อยนะดุตัวเองก็เป็นเหมือนกันเนาะนะแต่ดุด้วยเมตตาเนาะดูว่าไงบอกกับเจ้าคนขี้โกรธพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายแม้หากว่าพวกโจรผู้ประพฤติต่าช้า พึงใช้เลื่อยที่มีด้ามทั้งสองข้างตัดอวัยวะแต่ละส่วนภิกษุรูปใดพึงทําใจให้โกรธแค้นแม้ในพวกโจรนั้นเพราะเหตุที่ทําใจให้โกรธแค้นนั้นภิกษุรูปนั้นหาชื่อว่าเป็นผู้กระทําตามคําสอนของเราไม่นะถ้าหากว่าไปโกรธใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งอะนะแสดงว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคําสอนแลนะ มีอยู่ในพรมชาลสูตรพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายชนพวกอื่นจะกล่าวติติก็คือกล่าวด่านะกล่าวติพระพุทธเจ้าก็ตามกล่าวติพระธรรมก็ตามกล่าวติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายอย่าทำความอาบคาดในชนเหล่านั้นก็คืออย่าให้โทสะเกิดขึ้นแม้แต่ในชนเหล่านั้นนะ เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่น่าเคารพน่ายกย่องน่าเทิดทูนน่าบูชาแต่เขาไปด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอย่าโ ก, กรธนะเธอไม่ควรโกรธถ้าเธอโกรธเธอจะรู้ไหมว่าเขาด่าเรื่องอะไรแล้วคนโกรธรู้อัดไหมคนโกรธย่อมไม่รู้อดคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อความโกรธครอบงํา ม, มันมืดหมดแหละเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเขาด่ายัางไงเสร็จแล้วถามว่าเราฟังไว้ทําไมฟังเพื่อจะชี้แจงว่า ถ้าผู้มีพระภาคไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพระธรรมคำสอนของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นพราสงผู้เป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเธอไม่โกรธก็สา ม, มารถจะชี้แจงให้คนเหล่านั้นฟังได้แต่ถ้าโกรธเนี่ยไม่ทันชี้แจงเลยนะเร็จเลยน ะ, ะแสดงว่าถ้าใครโกรธก็แสดงว่าทําความสมความปรารถนาให้แก่ศัตรูคนบางคนเนี่ยแปลกนะนั่งด่าคนอื่นนะถ้าด่าเขามากๆเขาไม่โกรธนะคนด่าเนี่ยทุกข์แล้วนะนะ เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าใครโกรธตอบก็แสดงว่าทําความพ อ, อใจให้แกศัตรูทําให้ศัตรูนิสมความประสงใช่ไหมมีบางคนก็ว่าเขาเมตตาผิดประเภทอีกนะเขาบอกว่าโกรธเขาสักหน่อยเขาจะได้บาปน้อยหน่อยเขาว่ามีแบบนั้นอีกนะโอ้โหกลัวเขาจะบาปมากอ่ะ น, นะเขาบอกว่าด่าคนนะคนไม่ ก็ว่าโกรธคนที่ไม่โกรธตอบก็ว่าบาปมากเขาว่าไงแล้วโกรธเขาสหนก็จะได้บาปเ น, น้อยหน่อยเขาว่าไงก็พอกันนี่แหละดูท่าละพระสูตรเต็มเมื่อกี้นะเป็นข้อความในกะกะจูปมาสูตรในโอปัมมะวัชโอปัมมะวัชนั้นเป็นข้อความในคัมภีมัชชิมนิกายมูลปัญธาตเป็นพระสูตรที่ผู้ที่สามารถทรงจําวัชนี้ได้ก็ชื่อว่าเป็นพระหูสูตรละ นะสา ม, มารถที่จะทรงจาโอปัมมาวัคได้เพราะว่าข้อความในโอปัมมวคนั้นเป็นวัคที่มีมีผลในการปฏิบัติสา ม, มารถที่จะมองเห็นลำดับแห่งการปฏิบัติได้อย่างตลอดสายมีพระสูตรที่ที่น่าสนใจเลยละให้สูรด้วยกันอย่างเช่นวัมมิกสูตรอลระคทูปมะสูตรอย่างเงาะรัฐวินิตสูตรซึ่งกล่าวถึงข้อปฏิบัติตามลำดับหรือว่านิวาปสูตร นะปาสราสิสูตรก็กล่าวถึงพุทธประวัติหรือว่าข้อความที่เกี่ยวกับมหาสาโรประมะสูตรนะจุลสาโรประมะสูตรนะจุลหัตถิปโทรประมะสูตรแล้วก็มหาหัตถิปโทรประมะสูตรพระสูตรเหล่านี้ทําให้เห็นลําดับของการปฏิบัติได้ดีอันผู้ที่ทรงจําวร์นี้ได้ทั้งวร์ก็ชื่อว่าเป็นพระหูสูตรแล้วละ่ะอันเราฟังข้อความในโอปมวร์ที่กล่าวถึงอุปมาด้วยเรื่อยๆ สู่เต็มก่อนที่พระองค์จะตรัสอย่างนี้มีอยู่ว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวธีสมัยนั้นท่านพระโมริยพระพัคุณะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเกินเวลาพระโมริยพระพัคุณะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ ถ้าภิกษุบางรูปติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อนหน้าท่านพระโมริยะพักคุณะท่านพระโมริยะพักคุณะก็โกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นก็มีนนะถ้าใครไปตำหนิภิกษุณีให้พระองค์นี้ได้ยินนะพระโมริยะพักคุณะปับ๊บหาเรื่องเลยเขาว่ากันเขบอกว่าอธิกรณ์ก็คือเรื่องเรื่องราวเกิดขึ้นที่สงจะต้องดําเนินการสงจะต้องชําระ น, นะ อย่างเช่นวิว า, าทิกรอนุว า, าทิกรอนาปตาธิกรและกิจจาธิกรนะเป็นกิจที่สง์จะต้องเข้าไปจัดแจ้งนะเรื่องราวก็ลุกลามใหญ่ยยโตหมดเลยแต่ใครเกิดไปตําหนิภิกษุณีให้พระองค์นี้ได้ยินว่างั้นอั น, นึ่งท่าพิกษุบางรูป ต, ติเตียนท่านพระโมรยะพักุูณต่อนหน้าภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุนีเหล่านั้นก็พากันโกรธไม่พอใจพิสุรูปนั้นถึงกับก่อทิกรขึ้นก็มี ท่านท่าโรยาภคุณานี้อยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้นะเกี่ยวข้องกันมากๆขึ้นมันก็มีอคติต่อกันใช่ไหมถ้าฝายนี้ตําหนิฝ่ายโน้นให้ฝ่ายนี้ได้ยินก็เรื่องราวก็จะลูกลามใหญ่โตหมดครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่ควรส่วนที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุรูปนี้ท่านไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยประสงค์ว่า เหตุการณ์เสื่อมเสียอย่าได้เป็นอย่างแบบนี้อย่าได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่อพระศาสนาไม่ได้มุ่งจะยุยงให้พระผู้มีพระภาคตำหนิหรือว่าให้คนเหล่านี้ชื่อเสียงเพราะว่าภิกษุรูปนี้ท่านเป็นผู้ที่มีหิเรตมีโอตปะมีศีลอันเป็นที่รักกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระโมรยะภคคุณะอยู่คลุกคลี ก, กับพวกภิกษุณีเกินเวลา ท่านพระโมริยะพักคุณะอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุณีอย่างเนี้ยอย่างนี้ถ้าภิกษุณีบางรูปติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นขออภัยถ้าภิกษุบางรูปติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าท่านพระโมรยะพคกคุณะท่านพระโมรยะพักคุณะก็โกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นก็มีอันหนึ่งถ้าภิกษุบางรูปติเตียนพระโมรยะพักคุณะต่อนหน้าภิกษุณีเหล่านั้น พิษุณีเหล่านั้นก็พากันโกรธไม่พอใจพิสูรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นก็มีท่านพระโมรยะพระคุณะอยู่คลุกคลีกับพวกพิสุนีอย่างนี้ น, นะคลุกคลีบางครั้งจนถึงกับผิดพระวินัยทั้งหลายข้อก็มีนะเช่นสอนทำเกินเวลาบ้างสอนทำโดยที่ไม่มีผู้ชายอยู่ที่นั่นบ้างเป็นต้นนะผิดผิดวินยัยทัางหลายข้อพิสุรก็ตักเตือนเป็นต้นพิสุนีก็โกรธไม่ชอบใจ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเธอดภิกษุทเธอจงไปเรียกโมริยะพักคุณะภิกษุตามคําของเราว่าท่านพระพักคุณะภาษาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วเข้าไปหาท่านพระโมริยะพักคุณะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านว่าท่านพักคุณะภาษาสดาตรัสเรียกท่าน ท่านพระโมริยะพักคุณะรับคําภิกษุรูปนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระโมริยะพักคุณะว่าพักคุณะจริงหรือที่เขาเล่าลือกันนะอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยพระโมริยะพักคุณะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าไนถ้าเป็นเราเนี่ยนะฟังถ้อยคําแบบนี้เออเขาไปทําผิดมาอย่างนั้นจริงจเนี่ย จะแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไรนะพระองค์นี้นึกถึงพระพุทธพน์ตรงนี้ปุ๊บเห็นศรัทธาท่านว่านะมีศรัทธาต่อท่านว่าพระองค์นี้มีเมตตาจริงๆเลยพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามต่อไปว่านะไม่ตำหนินะแต่ถามถามถึงว่าบวชมาทำไมคล้ายๆ ล, ลักษณะ น, นีนะถามว่าเธอเป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตด้วยศรัทธาไม่ใช่หรือ นะเธอเป็นลูกของผู้ดีมีตระกูล่ะนะเธอเนี่ยบวชในาศาสนาก็ไม่ได้บวชเพราะเหตุแห่งปากท้องเป็นต้นไม่ได้บวชเพราะเหตุว่าไม่มีที่จะไปแล้วจึงเข้ามาพึ่งพิงาศาสนาก็ไม่ใช่แต่มีศรัทธาในพระธนรตรายเชื่อว่าพระธรรมคาสอนนะเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติตามแล้วสามารถที่จะช่วยให้พ้นจากโสกะปริเทวทุกขโทมนัตและอุปาญาตได้จริง มีศรัทธานในพระธรรตรา ย, ย่างนี้จึงมาบวชไม่ใช่หรืออยท่านพโมริยาภักุนะทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าเหมือนกันมาแต่ว่าจุดประสงค์เดิมดีมากเจตนาเบื้องต้นดีแต่ว่าวิธีการหลังๆใช้ไม่ได้ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภักขุนะการที่เธออยู่คลุกคลีกับพิกษุนีทั้งหลายเกินเวลานี้ไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกะลุ ก, กุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตด้วยศรัทธาเลย นะไม่ค่อยเหมาะเนาะว่าไ ง, งเพราะฉะนั้นแม้ถ้าภิกษุบางรูปจะพึงติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอแม้ในข้อนั้นเธอก็ควรละฉันทะนะควรละฉันทะในที่นี้ก็คือฉันทะที่เกิดร่วมกับฉันทะเกิดร่วมกับอคุส น, นะโทสันะให้ละฉันทะที่เกิดร่วมกับโทสให้ละฉันทะที่เกิดร่วมกับโลภะว่า้น และวิตกอันอาศัยเรือนวิตกอันอาศัยเรือนนะวิตกมีกี่อย่างวิตกหนึ่งะการมวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกนะอาคุศลวิตกก็คือการคิดที่เป็นไปกับอกุศลนะคำว่าเรือนในที่นี้หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสและโภทพภะการที่อกุศลวิตก3ามอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง5้านี้เรียกว่าวิตกอันอาศัยเรือน นะไม่ใช่อาศัยหลังคาบ้านนะแต่หมายถึงอาศัยเสียงกลิ่นรถโพธทภะเหล่านี้นะเธอควรละฉันทะและวิตตกอันอาศัยเรือนเสียแม้ในข้อนั้นเธอควรศึกษาอย่างนี้ว่านะสำนวนในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเจอที่ไหนคำว่าสำเนียกนะก็คือมาจากบาลีว่าสิกขาเธอพึงทำศึกษาว่านะเนนะจนทรอนสำเนียกนี่นะงงมานานแล้วสัเนียกมัเป็นแปลว่าอะไร มันหมายถึงอะไรเนึกไม่เคยออกถ้าบาทีพอไปเจอบาลีนะท่านบอกว่าศึกษานั่นเองสิกษาว่างั้นเธอควรศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรผันเราจักไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะพักคุณะเธอควรศึกษาอย่างนี้แหลอันนี้นี่เป็นโอวาทที่ให้ไป ไปทรงจำนะไอคำว่าศึกษาก็คือฟังจาเอาไปสาทายเอาไปตรึกเอาไปคิดเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติตามนี้นะมันเรียกว่าศึกษาในพระาศาสนานี้นะฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งว่านะเหตุการณ์ว่าถ้าภิกษุบางรูปจะพึงติตเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอแมในข้อนั้นเธอก็ควรละฉันทะและวิตกอันอาศัยเรือนเสีย แม้ในข้อนั้นเธอควรศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่แปรผันจากไม่เปล่งวาจาอันชั่วหยาบและจากอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะพัคุณะเธอควรศึกษาอย่างนี้แหละนะศึกษาว่าให้จิตเป็นปกตินะแล้วก็วาจาให้เป็นสัมมาวาจาแล้วก็อยู่ด้วยเมตตาจิตนะก็คือพูดถึง ศีลและนะพูดถึงศีลกับสมาธินะวาจาที่ช่วยยากก็คือวาจาที่ปราศจากศีลแลสิกขาถ้าอยูอ่ถ้าอยู่อย่างขาดเมตตาก็คือปราศจากจิตตสิกขานะเมื่อพูดศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาก็ชื่อว่ากล่าวแล้วนะสิกขาสามเพื่อรู้อะไรเพื่อกําหนดรู้อุปาทานขันห้านะบทความเท่านี้กขาเท่ากับประกาศอริยสัจเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าใครๆจะพึงทำร้ายภิกษุณีเหล่านั้นด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้และสาสตราต่อหน้าเธอแม้ในข้อนั้นเธอก็ควรละฉันทะและวิตกอันอาศัยเรือนเสียเธอควรศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่แปรผันจกไม่เปล่งวาจาชั่วยาบและจกอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะ เธอควรศึกษาอย่างนี้แล้วนะถ้าเห็นเขาตบภิกษุณีอย่างเงี้ยเธอก็อย่าไปอยไปโกรธนะอย่างนั้นนะเนี่ยนะนะทีแรกติเตียนก่อนใช่ไหมก็คือใครด่าภิกษุณีก็เธออย่าไปโกรธนะทีนี้ก็บอกหนักขึ้นแลาวก็ว่าถ้าใครตบด้วยฝ่ามือนะก็อย่าไปโกรธเขานะก็กล่าวต่อไปว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครใครติเตียนต่อหน้าเธอแม้ในข้อในในข้อนั้น เธอควรละฉันทะและวิตกอันอาศัยเรือนเสียใช้คำว่าละนะละมีกี่อย่างละล ะ, ละตรงๆนะหนึ่งนะวิขมปะนาปะหาร 2. ตะถังค่าปะหาร 3. ส, สมุดเชทะปะหาร 4. ปฏิปสัสสธิปะหาร5นิสรณะปะหารเธอควรละฉันทะฉันทะเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลภะและ โทสะละอกุศลวิตกที่อาศัยกรรมาคุณห้านะพุทธพจน์เท่านั้นก็ใช้คําว่าละปัปปหานะเข้ามาแล้วนะนะเป็นถ้อยคําที่ประกาศอริยศาสตร์เหมือนกันนะเธอควรทำศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรผันจักไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเธอควรศึกษาอย่างนี้แหละภคุณะ เพราะฉะนั้นถ้าใครๆจะพึงทำร้ายเธอด้วยฝ่ามือ<ค>ก้อนดินท่อนไม้และสาตราแม้ในข้อ น, นั้นเธอควรละฉันทะและวิตกอันอาศัยเรือนเสียเธอควรทำศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่แปรผันจกไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจากอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะพคุณะเธอควรศึกษาอย่างนี้แหล อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอ น, นุทของพระผู้มีพระภาคเลยนะ น, นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาเทศเฉยๆนะ น, นี่สั่งเลยนะไปศึกษาแบบนี้ไปปฏิบัติแบบนี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุที่ประชุมกันอยู่ที่นั้นผมก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งว่าไงคือพอเกิดเหตุการณ์ซึ่งมันมีปัญหาแล้ว ทำให้ใจของพระ อ, องค์เนี่ยนึกถึงสมัยปฐมปฐมพุทธปาธากาเน่ยนะสมัยที่พระสง์บวชเข้ามีศรัทธามีการประพฤติดีๆจริงๆเลยกล่าวว่าสมัยหนึ่งภิษุจําจำนวนมากได้ทำให้เรามีจิตยินดีเราได้เตือนพิสูุทั้งหลายณนะที่นั้นว่าเราฉันอาหารมื้อเดียวเราเมื่อฉันอาหารมื้อเดียวย่อมรู้สึกว่ามีอาพาธน้อย มีความลำบากน้อย <M ail. S 2> มีความเบากายมีกำลังและอยู่อย่างผาสุกมาเถิดแม้พวกเธอก็จงฉันอาหารมื้อเดียวแม้เธอทั้งหลายเมื่อฉันอาหารมื้อเดียวจักรู้สึกว่ามีอาพาธน้อยมีความลำบากกายน้อยมีความเบากายมีกำลังและอยู่อย่างผาสุกคำว่าฉันอาหารมื้อเดียวเนี่ยนะในอัตตกะถาปะปัญจสูทนี มัชิมนิกายมูลปัญ น, นาทท่านกล่าวว่าหมายถึงการฉันอาหารในเวลาเช้าคือตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นคือว่าตั้งแต่อรุณขึ้นจนถึงเที่ยงวันภิกษุฉันสิบครั้งในช่วงเวลานี้ก็ชื่อว่าฉันมือเดียวนะอัตรกถาท่านอาธิบายอย่างนั้นด้วยนะนะเขาบอกว่าพระ อ, องค์แนะนำสั่งสอนอย่างนี้กล่าวว่าเราไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นอีก เพียงแต่ทําให้สติเกิดขึ้นในภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นนะะเขาบอกว่าไอ้ฉัน10บสิบสบครั้งเนี่ยนะอย่าไปนึกว่านั่งฉันตั้งวง10ทีเลยนะอย่าไปคิดขนาดนั้นอนะ่ะข้าก็เช่นว่าก็เหมือนกับผลไม้นี่เป็นอาหารใช่ไหมนะ ก, ก็อาจจะฉันผลไม้ในระหว่างบ้างฉันพวกนมในระหว่างบ้างอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะฉันอาหารเบาๆบางอย่างในระหว่างบ้างในช่วงนั้นๆนะนะก็ยังไม่ชื่อว่าผิด พระวินัยอะไรเพราะว่าพระองค์ให้ฉันในช่วงสายอนนัอรุณขึ้นจนถึงเที่ยงวันแต่ว่านี้อนุญาตนะแต่ว่าศีลสิขาเกี่ยวกับเรื่องว่าอาหารนั้นมาได้ยังไงก่อนใช่ไหมหรือจากประมาณในการสแสวงหาหรือจากประมาณในการรับหรือจากประมาณในการบริโภคว่าบริโภคเพื่ออะไรนะปฏิสังขาโยเข้ามาแล้วเป็นสาธกะสัมปชัญญะ นะเมื่อมีสาทธากาสัมปชัญญะแล้วการบริโภคเหล่านั้นเป็นส ป, ปายะไหมไม่ใช่ฉันแต่ช้าตนถึงเที่ยงและบ่ายบทายทาหายาทาตแล้วมาช่วยย่อยช่วยอะไรเนาะ อ, อันนั้นแสดงว่าไม่ส ป, ปายะแล้วถูกตําหนิแน่นอนในบริโภคแบบนั้นอนะ่ะเสร็จแล้วต่อไปโคจระส ป, ปายะก็จะเข้ามาโคจระสัม ป, ปชัญญะนะก็เข้ามาว่าบริโภคนั้นนะด้วยการเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเป็นต้นนะ เสร็จแล้วก็เจริญอะสัมโมหะสัมปชัญญาอาหารแตะปลายลิ้นรูปนามขันห้าอะไรมีบ้างก็วิจัยต่อไปอันคือคือพระ อ, องค์นี้อนุญาตเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะชั้นช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้นะบางองค์ก็อาจจะสมาทานเป็นอาสนะเดียวก็ได้ถ้าอาสนะเดียวเลยเขาเรียกว่าสมาทานทุดงนะแต่ถ้าโดยพระวินัยก่อนก็อนุญาตมาตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยนะอาจจะหลายครั้งก็ได้แต่อย่าลืมนะว่าต้องไม่ขัดแย้งกับด้านอื่นๆ น, นะ คาวาสพวกใดก็ตามที่รักษาอุโบสถศีลในวันพระคุยแต่เรื่องอาหารเป็นตน้นคืาเรียกว่าโคปาละกะอุโบสถคำว่ากั้นอุโบสถแบบคนเลี้ยงวัวว่ากันนะคนเลี้ยงวัวเนี่ยเอาวัวต้อนวัวไปเลี้ยงก่อนั่งคิดกันแล้วพรุ่งนี้นะเราจะต้องเอาไปเลี้ยงตรงโน้นตรงนู้นตรงโน้นตรงโน้นกลุ่มคารวาสที่รักษาอุโบสถแล้วปรารถถึงแต่เรื่องอาหารการกินเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันแต่ถ้ากลุม่มภิสูจเนี่ยนะบวชเข้ามาแล้วเนี่ยนั่ง คุยแต่เรื่องอาหารเนี่ยเขาว่าไงรู้ป่ะพระองค์ตรัสบอกว่าพิสูจทั้งหลายมีนอนบางตัวนะไปกินอุจจาระนะเสร็จแล้วก็ยังไปที่ไหนก็เที่ยวอวดวันนะพรุ่งนี้จะมีอุจจาระกองโน้นกองโน้นกองโน้นกองโน้นให้เราฉันอีกมั้งชันใด้พิสูจบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไปชันอาหารที่เขาถวายเสร็จแล้วก็ยังไปเที่ยวอวดอีกโอ้โหวันหน้าจะไปชันบ้านโน้นเจ้าโน้นเจ้าโน้นเล่าในเชิงอวดเนี่ย ดูมินเหยียดยามคนอื่นมีลาบน้อยก็เหมือนกับนอนที่อวดอุจระฉันนั้นหอันโอวาดด้านอื่นๆต้องไม่ลืมลนะพอมาเจอเข้าตรงนี้ก็เลยตําหนิเลยก็ไม่ไม่ถูกต้องแล้วพิสูจนเหล่านั้นในสมัยปฐมพุทธปาทกาเนี่ยนะบอกว่าเราไม่ต้องพร่ำสอนพิสูจนเหล่านั้นอีกเพียงแต่ทําให้สติเกิดขึ้นในภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นนะแค่เปรย์ๆหรือว่าเล่าให้ฟังเท่านั้นเองท่านเหล่านั้นปฏิบัติตามหมดเลย รถที่เทียมด้วยมา้าอาชาในซึ่งฝึกมาดีแล้วเล่นไปตามทางใหญ่สี่แพร่งบนพื้นราบเรียบโดยไม่ต้องใช้แท้เพียงแต่นายสารถีผู้ฝึกหัดมา้าที่ฉลาดขึ้นรถแล้วจับสายบังเหียนด้วยมือซ้ายจับแท้ด้วยมือขวาเตือนม้าให้วิ่งตรงไปหรือเลี้ยวกลับไปตามถนนที่ต้องการได้ตามความปรารถนาแม่ชันใด เราก็ฉะนั้นเหมือนกันไม่ต้องพร่ำสอนพิสูจเหล่านั้นอีกเพียงแต่ทําให้สติเกิดขึ้นในพิสูจนเหล่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม้เธอทั้งหลายก็จงละอากุศลธรรมนะพระองค์ก็คาค่าว่าแวบคิดถึงพระในสมัยอานาะปฐมพุทธุ ป, ปาทการคือคือแบ่งออกเป็นช่วงอานาช่วงแรกนะช่วงกลางและก็ช่วงสุดท้ายนะแบ่งชีวิตของพระผู้มีพระภาคออกเป็นสามช่วงในสมัยที่เป็น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอันพิสุกลุ่มชุดแรกๆเลยเนี่ยนะเป็นพระที่าบารมีท่านเต็มเปี่ยมเป็นพระที่เป็นประเภทกุคติตันยูซะส่วนใหญ่นะวิปติตันยูก็รองๆมาส่วนภิกสุในปลายๆมาแล้วเป็นประเภทนัยะบุคคลนะนะพูดสอนกันอยู่นั่นแหละบางองค์ก็บรรลุนั่นแหละจนเกือบจะตายนั่นแหละไปตรัสรู้ธรรมเนี่ยอย่างพระโมริยะพระกุณนะนะองค์นี้ก็บรรลุธรรม แต่ก็ศึกก่อนศึกแล้วตอนหลังก็บวชหมายจึงได้บรรลุธรรมั น, นซึ่ง อ, องค์ที่บวชชุดหลังๆมานี่ก็เรียกว่าเป็นทุกขาปฏิปทาเลยเนี่ยอยู่แบบพระโมริยะาพระคุณะแบบนี้เขาเรียกว่าทุกขาปฏิปทาแล้วก็เป็นประเภททันทาพิน ญ, ญาตัสรุชาด้วยอันพระองค์ก็เลยสอนว่าแม้เธอทั้งหลายก็จงละกุศลธรรมจงทาความเพียรในกุศลธรรมทั้งหลาย เมื่อเป็นเช่นนี้แม้เธอทั้งหลายก็จักถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมวินัยนี้นะถ้าใช้คำว่าละต้องนึกถึงประหารห้านะเอามาอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งตทางข่าประหารสองเวทขมภณะประหารสามสมุเฉทะประหารสปฏิปสัสสธิประหารหานิสรณะประหารตทางข่าประหารได้แก่สีทานศีล ทานศีลวิปัสสนาทั้งหมดเรียกว่าประทานค่าประหารอุปจาระสมาธิอั ป, ปนาสมาธินะก็คือสมถะเรียกว่าวิขมพนะประหารแล้วก็อริยมรึกเรียกว่าสมุเฉ ท, ทประหารอริยผลเรียกว่าปฏิปสัสสธิประหารนิพานเรียกว่านิสระนะประหารนะแล้วก็ ภาพเพียรในกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมในที่นี้ได้แก่อะไรได้แก่โพธิปัจจยธรรมนั่นเองนะภาพเพียรในการบําเพ็ญในโพธิปัจจะธรรมศีเนี่ยยังอยู่ในประเภทโพธิปัจจยธรรมไหมยอยู่ข้อไหนโพธิปัจจยธรรมมีสาสิบเจ็ดอย่างนะอยู่ในหัวข้อสัมมาวาจาสัมมากรรมมตะสัมมาอาชีวะนะยังอยู่ในอริยมรรคโน่ น, นะ คือคือถ้าเป็นอริยมรรคแล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่อย่าลืมว่าอริยมรรคก็เกิดด้วยปัจจัยนะอริยมรรคก็เกิดด้วยปัจจัยก่อนหน้านั้นอันศีลและวิสุทธิ์ที่จะต้องมาก่อนจิตตวิสุทธิ์ที่เป็นต้นจึงจะบริบูรณ์อันโผงก็ให้ให้เจริญกุศลธรรมเหล่านี้ดูระครังกนายป่าสาละอันกว้าง ใกล้บ้านหรือนิคมป่านั้นรกไปด้วยต้นละหงสบุรุษบางคนหวังดีหวังประโยชน์และหวังความเจริญเติบโตของต้นสาละนั้นเขาจึงตัดหน่อต้นสาละที่คดซึ่งคอยแย่งอาหารแล้วนำออกไปทิ้งที่ภายนอกแพรวถางภายในป่าให้สะอาดเรียบร้อยคอยบำรุงรักษาต้นสาละเล็กๆซึ่งตรงแข็งแรงดีไว้อย่างดี ด้วยการกระทาดังกล่าวมานี้ต่อมาป่าไม้สาระนั้นก่อเจริญงอกงามไพ่บู์ขึ้นโดยลำดับแม้ชันใดแม้เธอทั้งหลายก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันจงละอกุศลธรรมจงทำความภาพเพียรในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้เธอทั้งหลายก็จักถึงความเจริญงอกงามไพ่บูนในธรรมวินัยนี้นะการเจริญกุศลธรรมเหมือนกับการดูแลการดูแลป่าสาระนะ ก็ดูเหมือนกันนะคนที่ดูแลป่านี้ก็แสดงว่าขยันขันแข็งอันนะคนที่เจริญกุศลธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันรู้เป็นขยะเป็นหยากเยื่อเป็นต้นละหงต้นที่ไม่มีประโยชน์ทําความเสียหายให้แก่ต้นสาระคนที่เจริญกุศลธรรมกุศ ล, รร ล, รรลจิตเหล่านี้ก็เหมือนกันสามารถที่จะแยกแยะจิตได้ใช่ไหมอันนี้โทสะจิตนะนี้โลภะจิตนี้โมหะจิตนี้อุทธะจิตนี้วิจิกิจฉาจิตอะไรนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะได้ว่า จิตเหล่านี้ไม่ได้เกื้อกูลต่อเมตตาจิตเลยไม่ได้เกื้อกูลต่อภาวนาด้านอื่นๆเลยงั้นก็ค่อยๆถอนค่อยๆชำระไปพิ่สุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแลว้วในกรงสาวัตถีนี่แหละได้มีแม่หญิงได้มีหญิงแม่เรือนชื่อว่าเวเทหิกาเธอนี่มีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่า หญิงแม่เรือนชื่อว่าเวเทหิกานี้เป็นคนเรียบร้อยเจียมตนใจเย็นและเธอมีสาวใช้ชื่อว่ากาลีเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านจัดการงานดีนะเจ้านายเนี่ยใจดีใจดีบ้านนี้นะเป็นคนเรียบร้อยเจียมตัวใจเย็นมากว่างั้นต่อมาสาวใช้ชื่อว่ากาลีนี้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่ากิติศัพท์อันงามของนายหญิงของเรานี่คขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า หญิงแม่เรือนชื่อว่าเวเทฮิกาเป็นคนเรียบร้อยเจียมตนใจเย็นนายหญิงของเรานี้ไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏหรือว่าหล่อนไม่มีความโกรธอยู่เลยหรือว่านายหญิงของเราเนี่ยไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏ เ, เ, เ, เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่หล่อนไม่มีความโกรธทางที่ดีเราจะทดลองนายหญิงดู นะวันรุ่งขึ้นนางกาลีก็แกล้งตื่นสายโอ้เชื่อเสียงเจ้านายนี่เป็นคนใจดีใจดีใจดีใจเย็นเรียบร้อยนะหรือว่าเราทําการงานดีลองดูสิตะบะจะแตกหรือเปล่านะฝ่ายหญิงแม่เรือนชื่อว่าเวเทฮิกาก็ได้เ อ, อพอพอนอนตื่นสายอย่างนี้เข้ า, านะฝ่ายหญิงแม่เรียนชื่อว่าเวเทฮิกาก็ได้ตวาดสาวใช้ชื่อกาลีว่าเฮ้ยนางกาลีว่ากนะัน นางกาลีก็ขานรับว่าอะไรเจ้าข่านางหญิงนางเวเทนิกาก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมจึงตื่นสายนางกาลีก็ตอบว่าไม่มีอะไรเจ้าข่างไม่ได้เป็นอย่างดอกเหมนนางจึงกล่าวอีกว่าเฮ้ยนางชาติชั่วเมื่อไม่มีอะไรทําไมจึงตื่นสายแล้วก็โกรธไม่พอใจทําหน้านิ้วคิ้วขมวดนะแสดงว่าแค่ลองตะบะวันแรกตื่นสายพักเดียวแค่ น, นั้นนะตะบะแตกเลยแค่ดา่าเฉยๆนะ ลำดับนั้นนางกาลีได้คิดว่านายหญิงของเรานี่ยไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในรือในภายในเท่านั้นไม่ใช่หล่อนไม่มีความโกรธที่ไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่หล่อนไม่มีความโกรธทางที่ดีเราจะทดลองนายหญิงให้ยิ่งขึ้นไปนะจะลองตะบายอีกรอบสองต่อมานางกาลีก็ตื่นสายกว่าทุกวันอนึงนะวันก่อนนี่ตื่นแค่แดวันนี้เก้าเลยไนงะ เก้าโมงเช้ า, างเงี้นะสายๆหน่อยนางกาลีก็เลยหญิงแม่เรือนชื่อว่าเวเทฮิกาก็ร้องตวาดด่า น, นางกาลีว่าเฮ้ยนางกาลีนางกาลีก็ขานรับว่าอะไรเจ้าข่านายหญิงนางเวเทฮิกาก็ถามว่าเฮ้ยทําไมจึงตื่นสายนางกาลีบอกว่าไม่มีอะไรเจ้าข้าว่างั้นไม่ได้เป็นไรเลยอยากนอนเนี่ยแหละอยากนอนให้เหมันใต้ายดูนั่นจะสบายขนาดไหนล่ะ นางก็เลยกล่าวว่าเฮ้ยนางชาติชั่วเมื่อไม่มีอะไรทําไมจึงตื่นสายเล่าแล้วก็โกรธไม่พอใจแผดเสียงดังด้วยความขุนเคืองแสดงว่าเสียงดังกว่า ก, กล่าวอีกหน่อยนึงลําดับนั้นนางกาลีก็ได้คิดว่านางหญิงของเรานี้ไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในเท่านั้นไม่ใช่หล่อนไม่มีความโกรธที่ไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดี ไม่ใช่หล่อนไม่มีความโกรธทางที่ดีเราจะต้องทดลองให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกต่อมานางกาลีก็ตื่นสายยิ่งกว่าทุกวันเลยนะตื่นเที่ยงหรือเปล่าครั้งนั้นหญิงแม่เรือนชั่วเวเทฮิกาก็ร้องตวาดดา่านางกาลีว่าเฮ้ย hey, นางกาลีชาติชั่วนางกาลีก็ขาน ว, ว่าอะไรเจ้าข้านายหญิงนางเวเทฮิกาก็ถามว่าเฮ้ย hey, ทาไมจึงตื่นสายนะนางก็ตอบว่าไม่มีอะไรเจ้าข้าก็าานะาอยากนอนให้มันใสใสอย่างนะ้น นางก็เลยกล่าวว่าเฮ้ยนางชาติชั่วเมื่อไม่มีอะไรทําไมจึงตื่นสายเล่าแคร์มากอยากจะสั่งสอนให้หลาบจําบ้างก็เลยโกรธจัดคว้าลิ่มประตูนะสมัยนี้ก็จับไอ้กุญแจที่พวงข้างประตูนั่นแหละคว้างศีรษะปากก็ด่าว่าข้าจะตีหัวเองให้แตกว่างนะ่ะมือก็ปาเข้าไปไอ้ลิ่มสลับประตูเนี่ยนะไม้แต่แต่ไม้พวกไม้ตะเคียนไม้แต่งไม้อะไรที่มันหนักๆเนี่ยนะเหมาะมือเลยนะ ปาเข้าไปนะคล้ายๆมุมแมลงเนี้ยเฉียดหัวเลยนะได้เลือดเลย <c oughs> คราวนั้นนางกาลีหัวแตกมีเลือดไหลโชคเที่ยวไปพลทนาแก่คนบ้านใกล้เรือนเคียงว่าพ่อคุณแม่คุณทั้งหลายเชิญดูการกระทําของคนเรียบร้อยเจียมตัวใจเย็นเถิดอย่างเงี้นเนี่ยดูนะเนี่ยผลของการใจเย็นนะเนี่ยหัวแตกแค่นี้เองเอ่ะนะหมอเย็บไม่กี่เข็มเองน น, นางนี่ก็โกรธไม่พอใจตึออ่ะนะเขบอกว่า นางโกรธไม่พอใจว่าตื่นสายจึงคว้าลิ่มประตูคว้างศีรษะาสาวใช้คนหนึ่งปากก็ด่าว่าข้าจะตีหัวเองให้แตกกันนะเห็นไหมยังตามมาเลย น, นั่นนะภิกษุทั้งหลายแต่นั้นมากิติศัพท์อันชั่วช้าของหญิงแม่เรือนชื่อว่าเวเทหิกาก็ขจรไปอย่างนี้ว่าชื่อเสียงก็ดังอีกนะคนดังอยู่แล้วนะนะพอทําเข้ามีประวัติศาสตร์ก็เลยดังเข้าไปอีกว่าหญิงแม่เรือนชื่อว่าเวเทหิกาเนี่ยเป็นหญิงดุร้ายไม่เจียมตนใจร้อน แม้ฉันใดว่าไ ง, งนนี้อุปมาเรื่องนี้เรื่องจริงนะแต่ว่าพระ อ, องค์เอามาอุปมาว่าไงพิสูจน์บางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้เรียบร้อยนะเรียบร้อยนักว่าไ ง, งเรียบร้อยหนาเรียบร้อยนักเรียบร้อยหนาก็แสดงว่าดีเยี่ยมว่าไงเจียมตนเจียมตนหนักหนาใจเย็นใจเย็นหนักหนาก็เพียงชั่วเวลาที่ถ้อยคํา อันไม่เป็นที่พอใจไม่มากระทบเท่านั้ น, น, น, นคือที่ดีเรียบร้อยใจเย็นเนี่ยนะก็แสดงว่าไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งแต่เมื่อใดถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจมากระทบเธอเข้าเมื่อนั้นควรทราบว่าเธอเป็นผู้เรียบร้อยเป็นผู้เจียมตนเป็นผู้ใจเย็นจริงนนแต่ถ้าหาว่าเมื่อมีมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็เสมอต้นเสมอปลาย ก็บอกว่าภิกษุที่ทําตนเป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายเพราะเหตุแห่งจีวรเบินธบาสเเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารเราไม่เรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายเลยว่าไงเห็นแก่ผ้าเห็นแก่จีวรเห็นแก่เครื่องนุ่งห่มเห็นแก่อาหารการกินเห็นแก่ที่อยู่เห็นแก่ที่อาศัยเห็นแก่อยู่ยาเห็นแก่น้าพึ่งน้ําอ้อยเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยว่าง่ายเลยนะเรียกคํานึงก็รีบมาเลยนะเสนอมาเลยลักษณะนี้ ไม่เรียกว่าเป็นคนว่าง่ายข้อนั้นเพราะไรเพราะภิกษุนั้นเมื่อไม่ได้จีวรบิณทบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารนั้นก็จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายไม่ถึงความเป็นผู้ว่าง่ายนะแสดงว่าถ้าหมดหมดเครื่องล่อหมดอ ม, มิตรก็ก็ไม่เหมือนเดิมละเปลี่ยนแปลงแต่ภิกษุผู้สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมธรรมะ เป็นผู้ว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายเราเรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายนะคนที่สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมธรรมะเนี่ยนะนอบน้อมคําสอนจริงๆเนี่ยลักษณะนี้ง่ายจริงๆว่างั้นเพราะเหตุ ing, นั้นแหละเธอทั้งหลายควรศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมธรรมะจักเป็นผู้ว่าง่ายจักเป็นจักถึงความเป็นผู้ว่าง่าย ว่าง่ายอย่างนี้หมายคำ ว, ว่าไงาง่ายในที่นี้ก็คือว่าง่ายตามคําสอนนะนนมีในเมตตสูตรซึ่งเราจะได้ศึกษาต่อไปข้างหน้าเขาบอกว่าคําว่าว่าง่ายเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ว่าคารวะใช้งานแล้วรีบเลยนะกุลีกุจอไปทําท่านทํำมนุษยโยมหน่อยสิทำอันนี้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับธรรมวินัยเนี่ยนะโหขยันขันแ ข, ขแข็งแข็งแรงเอาการเอางานเลยอย่างเงี้ยฝากลูกไว้ด้วยคนนะอย่างเงี้ยโหขยันอ้าวเยี่ยนี่ถ้ายัางเงี้ยไม่ได้งานละถ้าอย่างงี้เนี่ยอันนี้แข็งไว้เถอะ ไม่ต้องว่าง่ายหรอกอ่างรับเขาบอกให้แข็งไว้แต่ถ้าผู้ที่โอวาทแนะนําตามคําสอนซึ่งเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัตุสัาตร์ของพระศาสดาเนี่ยนะแล้วอ่อนน้อมรับง่ายโอ้โขอให้แนะนํากับผมอย่างนี้อีกนะอย่างนี้เขาเรียกว่าว่าง่ายจริงๆเพราะเป็นผู้ที่เคารพธรรมทีนี้อุบายระงับความโกรธนั้นวันนี้ก็คงไม่ถึงกันนะจบสูตรก่อนแล้วก็สูตรยังไม่จบแต่ว่าเวลานี้จบแล้ว